จเจริญพรทุกทุกท่านที่นี่หลายหลยเดือนหลวงพ่อมาครั้งหนึ่งแต่ก็จะนิมนต์ทุกเดือนทุกเดือนไม่ว่างงานเยอะต้องแบ่งไปให้ที่อื่นเขาได้เรียนบ้างหลวงพ่อปกติเขาไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่นะตะเวนไปโน่นไปนีไ้ได้เห็นคนใหม่ๆห่อะ ได้มาเรียนได้มาฟังเห็นพัฒนาการของพวกเราชาวพุทธจำนวนมากแต่เดิมเราทำกรรมฐานกันเราทำแบบบังคับตัวเองบ้างบางทีก็สุดโตงไปข้างไม่มีสมาธิเลยอีกข้างหนึ่งก็สุดโต่งข้างทาสมาธิอย่างเดียวบางทีก็คิดว่าทาวิปัสสนา แต่ความจริงมันไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาว่าเห็นปัสนาว่าการเห็นวิเห็นถูกเห็นแจ้งเห็นจริงคือเห็นใจลักของรูปนามอย่างบางคนทำกรรมฐานกาหนดโน้กนกาหนดนี้เพ่งโ น, น้นเพ่งนี้มันไม่ใช่การเห็นคือการเพ่งอาการของจิตมันแตกต่างกันนี่หลวงพ่อ พยายามสอนพวกเราให้รู้จักการพัฒนาจิตให้ถูกซะ ก, ก่อนแต่เดิมเราก็เคยได้ยินว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาแต่เราไม่รู้ว่าสมาธิมีตั้งหลายอย่างมางีว่านั่งสมาธิแล้วก็วันหนึ่งปัญญาเกิดอีกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยกาหนดไปเรื่อยๆบอกว่าเป็นวิปัสสนาคือถ้าไม่ได้เรียน เรื่องจิตศิกขาให้ดีถ้าจะไม่มีสมาธิที่ถูกต้องถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องก็ไปเดินปัญญาไม่ได้จริงนั้นก่อนที่จะถึงเรื่องปัญญาศิกขานะหลวงพ่อจำชจี้จำช้ยมากนะเรื่องจิตศิกขาจนบางคนนึกว่าหลวงพ่อสอนแต่ดูจิตดูจิตมันเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเดินปัญญา เมื่อเรามีจิตที่พร้อมจะเจริญปัญญาแล้วนะเราก็ไปเจริญปัญญาด้วยการรู้รูปนามจะรู้รูปธรรมก็ได้จะรู้นามธรรมก็ได้นามธรรมก็มีหลายส่วนส่วนของความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์นี่เป็นนามธรรมเรียกว่าเวทนาส่วนของกุศลอกุศลโลบโกลดหลงอะไรเรียกว่าสังขารเวลาดู จิตที่เป็นกุศลบ้างกุศลบ้างเราดูผ่านสังขารความปรุงดีปรุงชั่วจิตดวงนี้เป็นจิตที่ดีจิตดวงนี้เป็นจิตที่ชั่วเรียกว่าจิตตานนปัสสนามันดูจิตที่ไม่ใช่ไปดูจิตอยู่เฉยๆก็ต้องดูจิตที่ดีจิตที่ชั่วมันเกิดดับถึงจะเป็นจิตตานนปัสสนานนดูจิตดูจิตบางคนก็พูดแต่ดูจิตไปดูจิตอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรเลยคือการเพ่งจิต ได้สมถะได้อรูปฌานคนละทางกันแล้วบางคนสติปัญญาแก่กล้านะพอผ่านจิตตสิกขาแล้วจิตตั้งมั่นแล้วก็จเจริญธรรมานุภัสนาธรรมานุภัสนานี่มีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนมามธรรมอย่างเห็นนิวรณถ้าหากเป็นระดับจิตตานุปัสสนานะก็จะเห็นว่ามีกิเลสเกิดกิเลสดับ แต่ถ้าถึงระดับธรรมานุปาสนาะมันลึกซึ้งขึ้นไปอีกอย่างก่อนมันจะเป็นกิเลสหยาบมันมีนิวรณมีอะไรเนี่ยทำให้จิตเศ้าหมองจิตไม่มีสมาธิเราจะเห็นนะว่าไม่ใช่แค่เห็นนิวรณเกิดขึ้นนิวรตั้งอยู่นิวรดับไปนะรู้เหตุรู้ผลของมันด้วยละเอียดประณีตฝึกกันอีกหรือเห็นกุศลเห็นขันมันทางานเห็นส่วนที่เป็นกุศลอย่างโชฌง ทำไงสติถึงเกิดทําไงสติไม่เกิดทําไงรำมวิจยะเกิดอะไรเงี้ยจะรู้เหตุรู้ผลรู้กระบวนการทํางานรู้อริยสัจสิ่งเหล่านี้ก่อนที่เราจะขึ้นมาถึงการเจริญวิปัสสนามาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมของนามธรรมรูปธรรมคือส่วนของที่เป็นร่างกายส่วนหยาบนี้ การนามธรรมเป็นความรู้สึกนึกคิดทางใจมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีความรับรู้คือจิตแต่ก่อนที่เราจะเห็นรูปธรรมนามธรรมได้นะเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนถ้าไม่มีสัมมาสมาธิรองรับแล้วก็ไม่สามารถแยกรูปนามได้รูปนามมันไม่แยกออกจากกันนะมันกลายเป็นก้อนเดียวกัน เห็นเป็นตัวเราถ้ารูปนามมารวมกันแล้วมันกลายเป็นตัวเราขึ้นมาเมื่มันแตกกระจายออกเราจะเห็นเลยรูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาสังขารไม่ใช่เราวนะิญญาณหรือจิตไม่ใช่ตัวเรา mm hmm. เห็นอย่างนั้นเพรฉะนพวกเราต้องเรียนให้ดีนะจิตของเราต้องถูกซะก่อนเราถึงเดินปัญญาได้ในอภิธรรมบอกว่าต้องมีสมาธินะสมาธิที่ถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา สมาธิมีทั้งหลายอย่างบางอย่างเป็นมิจฉาสมาธิบางอย่างเป็นสมาธิที่ดีมิจฉาสมาธิเป็นยังไงมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติทำแล้วไม่มีสติลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจอย่างเรานั่งสมาธิไปเห็นโน้นเห็นนีน่นะอันนี้นเป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วเคลิบเคลิม้มลืมเนื้อลืมตัวนั่งสะกดจิตตัวเองอย่างนี้นเป็นมิจฉาสมาธิ ไม่เป็นไปเพื่อการเจริญปัญญาสมาธิที่ดีจะมีอีกสองส่วนสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนกับสมาธิที่เอาไว้ทำงานคือสมาธิอันหนึ่งเอาไว้พักผ่อนให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารมณูปนิชานสมาธิอีกชนิดหนึ่งเอาไว้เจริญปัญญาไว้ทำงานคืองานของเราก็คืองานวิปัสสนากรรมฐานสมาธิอย่างนี้เรียกว่าลัคนูปนิชาน ถ้าเราแยกแย้ายไม่ออกปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัติเลยก็คือบกพร่องในเรื่องสมาธินี่นะบางพวกไม่ทำสมาธิเลยนะบางพวกทำสมาธิแต่ทำอารมณูปนิชฌานหรือทำมิจฉาสมาธิขาสติอย่างนั้นไม่มีปัญญาหรือให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างนั้นไม่มีปัญญ า, นะางั้นสิ่งที่เราต้องเรียนนะให้แตกฉานให้ลึกซึ้งก็คือเรื่องของจิตใจเรานี่เอง จิตใจที่จะเดินปัญญาได้นะองจิตเป็นกุศลประกอบด้วยปัญญามีสติสมาธิปัญญาแล้วก็เกิดขึ้นมาเองไม่ได้หลอกให้เกิดไม่ได้ชวนให้เกิดเกิดโดยอัตโนมัติถ้ายังไม่อัตโนมัติยังทำมิปัสสนาไม่ได้จริงต้องสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติเกิดนะถึงจะเดินปัญญาเพราะปัญญานะั้นไม่ได้คิดเอาแต่ไปเห็นเอา สติสมาธิไม่อัตโนมัติก็ไปเห็นของจริงไม่ได้เราต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆฝึกไปแต่เท่าที่หลวงพ่อตะเวนสอนสอนมาเรื่อยๆหลวงพ่อก็พอใจพวกเราจำนวนมากนะที่จิตมันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานสมัยก่อนเมื่อ30ปีก่อนเน่หายากมากคนที่จะรู้สึกตัวคนที่จิตจะตื่นมีสมาธิที่ถูกต้องสักคนหนึ่งเนี่ยหายากมาก ตอนหลวงพ่อเคยสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งตอนหลวงพ่อเป็นโยมเมื่อสักสาปีก่อนน่ะพาเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นั่งรถตู้ไปด้วยกันครูบาอาจารย์ท่านจิตไวัเนี่ยท่านหันกลับมาดูเลยท่านนั่งนั่งหันหลังอย่างเนยนั่งฉั น, น, น, น, นข้าวหันกลับเลี่ยว่าไปรวมมาได้ยังไงตั้งสิบคนนะตั้งเยอะถ้าสมัยก่อนนะคนที่ตื่นขึ้นมาจริงๆรู้สึกตัวได้จริงจิตตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องจริงๆมีน้อย มันเลยเสื่อมลงเสื่อมลงนะกรรมฐานสมัยครูบาอาจารย์ท่านภาวนาได้ดิบได้ดีกันเยอะมารุ่นหลังก็น้อยลงน้อยลงสมาธิมันไม่ถูกสมาธิมันไม่ดีอย่างบางคนก็หัดพุดโทโธนะพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปให้จิตมันนิ่งพุโทโธให้จิตมันนิ่งก็คือให้จิตมันสงบอยู่กับพุโทโธก็เรียกอารมณูปนิชานได้สมถะได้ความสุขความสงบ ได้แรงเอาไว้พักผ่อนแล้มีแรงจิตใจจะมีแรงจิตเนี่ยถ้าได้นิ่งแล้วจิตจะมีแรงนะร่างกายได้เคลื่อนไหวร่างกายจะมีแรงร่างกายนิ่งอยู่เฉยๆแล้วไม่เปรี้ยเสียขาไม่มีแรงเ้องเอ็กซ์ไซส์เคลื่อนไหวส่วนจิตนะัถ้าสงบอยู่ในอารมณ์มเดียวแล้จะมีแรงก็จําเป็นในการปฏิบัติถ้าจิตใจป้อแป้ไม่มีแรงก็ใช้ไม่ได้นี่จิตใจสงบอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องตั้งมั่นให้ได้ด้วย จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะเป็นจิตซึ่งรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะมันไม่เคลื่อนไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ตัวได้คีย์เวิร์ดของมันนะไม่เคลื่อนไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้พวกเราจะสังเกตเห็นนะจิตของเราจะเคลื่อนตลอดเวลาเดี๋ยวเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟงังเคลื่อนไปคิดเคลื่อนทั้งวันนะเราลองดูนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งแล้วลองดูสิจิตเราจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาไหมนะอลองดู รู้สึกไหมว่าเคลื่อนกระทั่งที่ว่าทําความสงบนะจิตก็เคลื่อนไปจับอารมณ์อันเดียวที่นิ่งๆนะสำรวจดูนะ้ําก็เคลื่อนแทบทั้งหมดนะล้วนะเราไม่เห็นว่ามันเคลื่อนอยู่ถ้าเมาื่อไรเราเห็นว่าจิตเคลื่อนนะเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นนี่เป็นกฎเลยนะทําไมรู้ว่าจิตเคลื่อนแล้วจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติ เพราะจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนด้วยอำนาจของโมหะชื่อว่าอุทัต จ, จัความฟุ้งซ่านมันฟุ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูฟุ้งไปทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจคือฟุ้งไปคิดเนี่ยหรือฟุ้งไปทำกรรมฐานอย่างเวลาพวกเราทากรรมฐานพวกเราลองรู้ลมหายใจซินะองรู้ไปที่ลมหายใจรู้ไปที่ลมเลยนะ รู้สึกไหมจิตมันเคลื่อนไปที่ลมบางคนไม่เคลื่อนไปที่ลมนะเคลื่อนสายไปสายมาบางคนไม่สายก็ไหลไปนิ่งอยู่กับลมโดยที่จิตมันเคลื่อนไปจับลมเนี่ยเคลื่อนเรียบร้อยแล้วเคลื่อนแล้วไปสงบอยู่กับลมได้อา ร, รมณูปนิชฌานแต่ไม่ตั้งมั่นแต่ไม่ตั้งมั่นเพราะมันเคลื่อนทํายังไงจิตจะไม่เคลื่อนทําไม่ได้ทําไม่ได้ถ้าทําได้จิตจะเป็นอัตตาแทีนี้จิตเป็นอนัตตา ให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนนั้นเคลื่อนโดยอํานาจของโมหะโมหะชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอุทัจจะความฟุ้งสัน้นมันฟุ้งไปทางไหนมันฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิน้นกายใจมันสั้นไปในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ธรมรมารมณ์ทั้งหลายมันไหลไปตลอดถ้าเมื่อไร่เรามีสติรู้ทันความฟุ้งสัน้นเป็นกิเลสจะดับอัตโนมัติเพราะมีกฎของธรรมะก็คือ เมื่อใดมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อใดมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นเราอาศัยกฎของธรรมะข้อนี้แหละรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านรู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นคือไม่ไหลโดยที่ไม่ได้บังคับถ้าเราจงใจไม่ให้ไหลนะใจเราจะแน่นอึดอัดแข็งแข็งไม่มีความสุขไม่มีความสบายแต่ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไป ทันทีที่รู้จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตัวนี้สำคัญมากถ้าไม่มีจิตอย่างนี้นะเราจะเดินปัญญาต่อไม่ได้แล้เราค่อยๆฝึกทุกวันควรจะทำในรูปแบบควรจะนะควรจะ15นาที2ี่นาทีควรทำไว้พระสวดมนต์นิดหน่อยอย่าสวดยาวยกเว้นเราจะใช้การสวดมนต์เป็นอารมณ์กรรมาฐาน ถ้าคนทั่วๆไปนะไม่ได้ใช้การสวดมนต์มาเป็นกรรมฐานเราก็ใช้สวดมนต์นิดหน่อยแล้วก็มาทํากรรมฐานที่เราถนัดหรือทํากรรมฐานอะไรไม่ได้สวดมนต์ยาวๆก็ได้แต่ไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรหรือจะสวดมนต์นะถ้าจิตเคลื่อนให้รู้ถ้าจิตเคลื่อนให้รู้อย่างเราสวดมนต์อลาังสัมมาสัมพุทโธ佛พะวาจิตไหลเวิ้บไปไปจิตเรื่องอื่นละเรารู้ทัน หรือเร า, า, เ า, ห, าออรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหนีไปเพื่อไปหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันหรือเราดูลมหายใจหายใจออกหายใจเข้านะเห็นไปเรื่อยจิตหนีไปคิดเราก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ทันะให้รู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆนะแล้วจิตจะไม่ไหลเม่ไม่ไหลแล้วก็จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะรู้เนื้อรู้ตัวอย่ากมีความสุข อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำยากเกินไปคารวาสก็ทําได้ทําไมทําได้ทําไมหลวงพ่อกล้าพูดพระหลวงพ่อทําได้ตั้งแต่เป็นคารวาสหลวงพ่อเนี่ยนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเนะ่ยขึ้นชื่อรฤาษาในเรื่องเจโตปริยะญาณจิตไปมากเลยแล้วหูไวด้วยนะใครคิดอะไรในใจได้ยินนะท่านไวขนาดนั้นท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ ทำไม่เป็นผู้รู้คนยังงงงว่าหลวงพ่อรู้อะไรรู้หวยรู้เบอร์ไม่รู้หรอกรู้อะไรรู้สึกตัวใจไหลเรารู้ใจไหลเรารู้ความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเรามีใจเป็นผู้รู้แล้วเน่เราถึงจะสามารถเจริญปัญญาต่อไปได้จิตใจที่เป็นผู้รู้นะจะมีลักษณะอ่อนโยนมีลักษณะนุ่มนวลมีลักษณะเบามีลักษณะว่องไว ไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อซื่อตรงในการรู้อารมณ์หมายถึงว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างที่อารมณ์นั้นเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วก็ไม่มีโลภะไม่ได้อยากรู้ไม่ได้มีโทสะไม่ได้ปฏิเสธการรู้ไม่ได้มีโมหะไม่ได้ลืมเน้อลืมตัวสภาวะจิตอย่างนี้แหละเป็นจิตที่เรียกว่ามหากุสจิตจิตที่เป็นมหากลุะ เราต้องสร้างจิตอย่างนี้ให้มีขึ้นมานะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สดชื่นสบายแล้วเราจะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายกับจิตใจเ น, นี่ยคละอนกันความสุขความทุกข์กับจิตใจก็เป็นโคนละอนกันกุศลอกุศลกับจิตใจก็เป็นโคนละอนกันแถมเรายังเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับเกิดดับได้ด้วยนะจิตไม่ได้เที่ยงนะบางคนไปว่าจิตเที่ยงถ้าใครว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าจิตเที่ยงก็คือจิตเป็นอัตตามีศาสนาไหนรู้ไหมว่าจิตเป็นอัตตาพวกฮินดูพวกพราหมณ์นะเพราะว่าจิตเป็นอัตตาเนนะี่ยเรื่องอาตามันใช้ศัพท์ว่าอาตามันเวลาตายนะถ้าเราฝึกสมาธิดีอัตามันหรืออัตตาเรารือจิตนี่ก็รวมเข้ากับพระเจ้าที่เรียกว่าปารมาตามันบรมาอัตตาถึงวันหนึ่งก็หลุดออกมาอีก มาหมุนเวียนอยู่อย่างนี้อีกเพราะฉะ น, นจิตขึ้นไปสู่พรหมโลกนะวันหนึ่งก็หลุดออกมาใหม่เมืนะ่อหลุดออกมาวนเวียนตกนรกก็ได้อีกนะหมุนเวียนไปได้อีกยังไม่ถึงความพ้นทุกข์จริงๆคําสอนอื่นๆนะี้จิตเป็นอัตตาเป็นส่วนใหญ่นะอีกพวกหนึ่งจิตสูญไปจิตเป็นอัตตาตอนเนี้มีอยู่แต่อนาคตศูญไปนะนี่นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกัน มีแต่ในคำสอนพุทธเจ้านี่แหละที่พาให้เราเห็นว่าจิตนี้เป็นอนัตตาจิตไม่มีเจ้าของจิตเป็นธรรมชาติรู้อย่างหนึง่งนะเป็นสมบัติของโลกเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่ตลอดเวลาตรงที่เห็นเกิดดับเกิดดับเนี่กเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราไม่มีเจ้าของนะ่ะนี่ก็เห็นอนัตตาเนี่ยอยู่ในคำสอนของพระเจ้านะที่อื่นไม่มีเนี่ยเราต้องมาพยายามฝึกนะฝึกจิตฝึกใจของเรานะทําในรูปแบบ แล้วอยรู it, life, ้ทันจิตพุทโธไปรู Sho, well. ้ทันจิตหายใจไปรู้ทันจิตดูท้องพองยุบไปรู้ทันจิตถือจะเรียกว่าจิตตะศิขาถ้าเรารู้ลมหายใจอย่างเดียวไม่ได้ว่าจิตตสิกขาเพราะไม่ได้เรียนเรื่องจิตบางคนมักง่ายนะบอกว่าจิตตะศิขาคือการเรียนเรื่องสมาธิงั้นเป็นนั่งสมาธิแล้วเป็นจิตตะศิขาไม่ใช่ถ้าจะทําสมาธิอย่างเป็นจิตตะศิขาก็ทําสมาธิทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไป มัจะเห็นนะจิตเนี่ยเสนไหวเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวไหลไปเดี๋ยวไหลามาเดี๋ยวฟุ้งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะพอเห็นแล้วมันจะหยุดการฟุ้งโดยที่ไม่ได้บังคับใจจะโปร่งโล่งเบานะพระเจ้าจะสอนต่อบอกว่าเมื่อจิตมีสมาธิอ่อนเบานุ่มนวลควรแก่การงานแล้วนะให้น้อมน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะเมื่อเวลาที่เรามีจิตที่เป็นผู้รู้แล้วเนะี่ยอย่ารู้อยู่เฉยเฉยยังไม่ได้จบภารกิจ ภารกิจของเราก็คือพอเรามีจิตที่มีสมาธิถูกต้องแล้วนะต้องน้มน้อมไปเพื่อหยานทัศนะน้มน้อมไปทํำยังไงก็คือใช้จิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหลนะเป็นคนดูสภาวธรรมสภาวธรรมคือรูปรธรรมนมามธรรมทั้งหลายอย่างเราเห็นร่างกายนะหลวงพ่อจะสอนกรรมฐานให้อันหนึ่งนะมันจะมองได้ทางสมาธิแล้วก็ต่อยอดเข้าแยกรูปแยกนามได้เลยก็คือการรู้ร่างกายที่หายใจ บางคนดูอะไรก็ดูไม่เป็นทำอะไรก็ไม่สงบฟุ้งซ่านแยกธาตุแยกขันธ์ก็ไม่เป็นอยากทำกรรมฐานที่ง่ายๆนะได้สงบด้วยได้ตั้งมั่นด้วยได้แยกธาตุแยกขันธ์ด้วยนะมีกรรมฐานอันหนึ่งก็คือการรู้ร่างกายที่หายใจอย่ารู้ที่ลมถ้ารู้ที่ลมนะจะกลายเป็นการเพ่งอารมณ์อันเดียวจะกลายเป็นกสินกสินลม แล้วก็จะกลายเป็นแสงสุดท้ายลมนั้นกลายเป็นแสงพอได้แสงนะเราย่อได้ขยายได้นะเป็นปฏิภาคนิมิตเข้าฌานแต่ น, นั้นจะเป็นเรื่องของสมถะล้วนๆได้ความสงบเราลองปรับใหม่เราค่อยมาเห็นร่างกายหายใจตอนนี้ทุกคนหายใจอยู่แล้วนะรู้สึกไปสบายๆอย่าไปดูที่ตัวลมหายใจให้รู้สึกทั้งตัวนี่แหละรู้สึกตัวสบายๆเห็นร่างกายกําลังหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้า ลองทําดูซิลองทำํำอย่าไปขยับจิตพอให้เริ่มทําก็ผิดละพอให้เริ่มให้รู้ร่างกายหายใจก็ขยับจิตอย่างเนี้ยจิตผิดธรรมชาติละเราใช้จิตใจที่ธรรมดาเนี่ยนะจิตใจที่ธรมธรมดาธรรมดาเนี่ยวิเศษที่สุดเลยหลวงพ่อจะบอกความลับอะไรให้เรื่องหนึ่งความลับอันนี้ไม่ค่อยมีคนรู้หรอกนะก็คือจิตใจของคนปกติอ่ ตอนที่ไม่ได้ถูกกิเลสครอบงำนะตอนที่อยู่ธรมธรมดาธรรมดาสบายใจอยู่เนี่ยขันมันแย่งอยู่แล้วนี่คือความอัศจรรย์นะจิตใจของคนธรรมดานี่นะจิตใจของคนธรรมดาเนี่ยเวลาสบายใจมีความสบายใจแต่ไม่เผลอไม่เพลินะมีความสุขมีความสบายอยู่ขันมันแย่งอยู่โดยตัวของมันเองอยู่แล้วนี่เวลาเราไปกระทบอารมณ์ปุ๊บเราจนะไปรวบเอาขันเข้ามา รวบเข้ามาเป็นก้อนเดียวกันนะเพื่อเป็นตัวเราใครเคยดูหนังสมุไรสมัยก่อนมีไหมใครเคยได้ดูบ้างสังเกตไหมเวลาจะสู้กันต้องเกรงนะพวกเราก็เหมือนกันเวลาอยู่ปกติยังไม่ได้ชักดาบก็สบายๆนะทันทีที่คิดถึงการปฏิบัตินะเกรงปั๊บเลยนะแบบสมุไรเตรียมจะฟันกแก ก, กิเลสอ่นะตั้งท่าเลยนะเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติอบอกต่อไปนี้ ทุกคนปฏิบัติเห็นร่างกายหายใจใช่ั้ยเข้าที่แล้วถือดาบจ้องแล้วมันมาจะฝันหัวมันละกิเลสมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วปกติจิตของเราปกติมันดีอยู่แล้วนะขันมันก็แยกอยู่แล้วเราต่างหากไปรวบมันเข้ามามันรวบตอนไหนตอนมันมีตัณหาเกิดขึ้นมีอุปาทานเกิดขึ้นมีการทำงานทางใจเกิดขึ้น ทันทีที่มีการทำงานทางใจเกิดขึ้นนะมันจะมีผู้กระทำเกิดขึ้นมันจะรวบเอาขันห้ามาเป็นผู้กระทำนะไม่ใช่ขันทำงานแล้วกลายเป็นเราทำขึ้นมาจะไปรวบขึ้นมาตอนนั้นแหละเพราะฉะนั้นโดยปกติโดยธรรมดานะใจของเราดีอยู่แล้วเพียงแต่ง่อเท่านั้นเองนะใจปกตินะขันเป็นแยกขันเม็นแยกแต่เราเราชอบไปรวบมันเข้ามาตอนที่คิดถึงการปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างภพอย่างหนึ่งแต่จําเป็นเพราะกุศลทั้งหลายเกิดในภพนะอกุศลเกิดในภพการปฏิบัติธรรมเป็นภพอย่างหนึ่งก็ต้องรู้ถันมาสร้างถ้าสร้างภพขึ้นมานักปฏิบัติสร้างภพขึ้นมาแล้วไม่รู้เราจะติดอยู่ในภพอันนั้นไปไหนไม่รอดหรอกแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นภพอันหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออาศัยอาศัยเจริญสติเจริญปัญญานะมันก็ใช้ได้ต้องอาศัย มันจะมีการสร้างพบขึ้นมามันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาเนีย่ยเวลามีจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยสร้างพบแล้แลนะเะงั้นตราบใดที่ยังมีจิตผู้รู้อยู่เนี่ยเกิดอีกไหมเกิดพระอนาคามีจิตผู้รู้เด่นดวงนี่พบพบหนึ่งนะยังสร้างพบอยู่เกิดอีกนะพระอรหันต์วางจิตผู้รู้ลงแล้วไม่มีการสร้างพบขึ้นอีกเพราะไม่ได้ปฏิบัติ แต่ไม่ได้ปฏิบัตินั้นหลังจากที่ปฏิบัติเต็มที่จนฆ่ากิเลสตายหมดแล้วนะอยู่ๆเราไม่ปฏิบัติเนี่ยกิเลสจะปฏิบัติแทนเรามันจะเอาเราไปกินเลยนะเพราะฉะั้นเบื้องต้นนะสร้างพพก็สร้างนหะต้องปฏิบัติไปก่อนนะมีศีลศีลรักตั้งใจรักษามีสมาธิที่ดีตั้งใจฝึกตอนไหนฟุ้งซ่านน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวตอนไหนสงบแล้ว ฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยการรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะงั้นเรามารู้ร่างกายที่หายใจเนี่ยลองไปรู้ร่างกายหายใจนะพอ ร, รู้ร่างกายหายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านไปเรารู้ทันจิตนี้ไปที่อื่นเรารู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติแล้วถ้าเรารู้ร่างกายอย่างสบายๆรู้ไปอย่างสบายไม่เคร่งเครียดนะมีความสุขเกิดขึ้นสมาธิที่ใจสงบเนี่ยก็จะเกิดขึ้นด้วยใจก็จะสงบด้วยนะแล้วตั้งมั่นด้วยนะ พอใจมันตั้งมั่นแล้วนีมันจะเห็นว่าร่างกายที่กําลังหายใจอยู่เนีเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่นั่งอยู่ตัวเนี้ยเป็นจิตที่ไปรู้เข้าเป็นสิ่งที่จิตรู้จิตเป็นคนไปรู้เข้ามันจะแยกรูปแยกนามได้ด้วยแล้วถ้าจะเจริญวิปัสสนาต่อนะเขาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกนะมันเหมือนเปลือกเหมือนถ้าเป็นวัตถุาธาตุมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเรา เเดินปัญญาต่อไปได้เลยงั้นที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะลองถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ลองดูลองนั่งไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกไปนะจะได้ทั้งความสงบได้ทั้งความตั้งมั่นจะแยกขันได้เห็นว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันแยกขันได้ทีแรกก็แยกกายแยกใจต่อไปก็จะเห็นว่าในร่างกายเนี่ยมันมีความทุกข์ ความปวดความเมื่อยอะไรแทรกเข้ามานั่งทีแรกไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งไปนานๆความปวดความเมื่อยมันเข้ามาเราจะเห็นว่าความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายเป็นของที่แอบเข้ามาทีหลังความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตด้วยแล้วเราสั่งไม่ได้เราบอกว่าอย่าปวดมันก็ปวดนะอย่าเมื่อยมันก็เมื่อยไม่อยู่ในอำนาจบังคับเราก็ดูเห็นเวทนาแสดงใจรักให้ดูได้ด้วยนะเนี่ยดูไปพอมันปวดมากๆใจมันทุรนทุรายเออ มันไม่สบายใจแล้วมันกลุ่มใจมันปวดมากๆากเนี่ยเห็นในใจแต่เดิมไม่ได้กลุ่มใจความกลุ่มใจไม่ใช่ใจของเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจมาที่หลังนะนะใจเป็นคนไปเห็นความกลุ่มใจเขาเพราะความกลุ่มใจนะั้นเราไม่ได้เชิญมันมาได้เองนะมันเป็นอนัตตานะดูไปเรื่อยๆนะั้นก็เกิดดับให้ดูสแสดงอนิจจังได้ด้วยเนี่อการภาวนาในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ยากอะไรเลย นะถ้ารู้หลักของการปฏิบัตินะทำกรรมฐานอันเดียวนะมันพลิกไปได้หมดนะพลิกไปทำสมถะให้สงบก็ได้พลิกไปฝึกจิตให้ตั้งมั่นก็ได้พลิกไปเจริญปัญญาก็ได้นะถ้าเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยรูปนามนะถ้าทำกรรมฐานที่ไม่เกี่ยวกับรูปนามเนี่ยพลิกอย่างนี้ขึ้นวิปัสสนายากอย่างเราไปจุดเทียนข้อสักันนะเราไปนั่งจ้องไฟอยู่อย่างนี้จะขึ้นวิปัสสนาลําบากมันไม่ย้อนมาที่รูปนามของตัวเองมันดูออกข้างนอกไปอย่าเราดูไฟนะ กระทั่งเราเห็นนะเปลวไฟที่แรกก็ไหวๆนะแต่ไปเราหลับตาลงเนี่ยเราก็จะเห็นเปลวไฟเหมือนตอนที่ลืมตาอันนี้เรียกว่าอุคหานิมิตตอนแรกเรียกว่าบริกรรมนิมิตไฟจริงๆอ่ะเป็นบริกรรมนิมิตเราหลับตาไปากระทั่งเรานึกถึงไฟปุ๊บเราเห็นเหมือนเลยนะเรียกว่าอุขหานิมิตต่อไปมันแปลสภาพเป็นเป็นดวงแก้วนะจะใสเป็นดวงแก้วขึ้นมาแล้วย่อดได้ขย่ยได้ประกายระยิบระยับอะไรเงี้ย นั่นเรียกว่าปฏิภาคนิมิตเนี่ยไปดูจนเป็นปฏิภาคนิมิตนะใจสงบอยู่งั้นนะมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจอย่างนี้ไม่ดีนะได้สงบเฉยๆไม่เหมือนกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเรานะถ้ากรรมฐานอะไรเนื่องด้วยกายด้วยใจนะเราใช้ทําสมถะเราก็ต่อขึ้นพิปัสนาได้อย่างเราเห็นร่างกายหายใจเงี้ยเราเห็นร่างกายหายใจไปใจก็สงบด้วย แถมถ้าใจหนีไปคิดเรื่องอื่นหรือใจไหลเข้าไปเพ่งร่างกายเรารู้ทันใจก็ตั้งมั่นด้วยได้สมาธิแบบตั้งมั่นด้วยนะแล้วเราก็เหตุแยกรูปนํานะร่างกายส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งการเจริญปัญญานะั้นจะเริ่มต้นด้วยการแยกรูปแยกนํานะถ้าเราแยกรูปแยกนําไม่ได้จเจริญปัญญาไม่ได้นะเพราะปัญญาขั้นที่หนึ่งชื่อนํารูปปริเฉทยานยกเว้นพวกที่บา ร, รมีเข้าแก่กล้าจริงๆนะ พวกบารมีแก่กล้าจริงๆเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินคําว่ารูปนามเลยเขาฟังคนสรรเสริญพระุทธเจ้าอะไรอย่างนี้นะใจเขารวมลงมาเขาตัดได้เลยนะพวกที่เขาเต็มจริงๆหรือบางคนไม่ได้ทํำวิปัสสนาละเอียดอย่างพวกเราพวกเรากิเลสมันรุนแรงนะถ้าดูหยาบหยาบอย่างที่พวกอินทรีแก่กล้าดูนะมนไปไม่ไหวอย่างสมัยพุทธกาลมีพระไปอยู่ในป่าช้าอยากไปดูศพอยากไปดูศพ นี่สั ป, ปเหร่เขาบอกว่าอยู่ๆจะมาอยู่ประช้ายอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะมันวุ่นวายให้ท่านอยู่ตะหากแล้วถ้ามีเผาศพวันไหนจะไปเรียกท่านมาดูบอกงนี้นะวันนั้นก็มีสาวสวยตายอินเดียเนี่ยตายปุ๊บเผาปับไม่เหมือนเรานะตายไปเราก็กลัวเน่าเรา ก, ก็ฉีดยาถึงเวลาจะเผามาเปิดโรงดูอยากดูก็อยากดูกลัวก็กลัวนะหลายจิตหลายใจวุ่นวาย คนแขกในตายปู๊เผาฟับเลยสาวสาวตายนาะซับเปเลเก็ไปเรียกพระมาดูพระอู้สวยคนนี้เหมือนคนนอนหลับพอเพิ่งตายใหม่ๆพอถูกไฟเผานะไฟมันลวกผิวหนังลอกโอ้ความสวยหายไปแล้วเหมือนวัวดังๆท่า น, นดูไปเจนทั้งเผาเป็นกระดูกนะใจท่านก็อุทานขึ้นมาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอกเกิดแล้วก็ดับไปนะสังขารทั้งหลายสงบีะได้เป็นสุขท่านบรรลุพระอรหันต์เลย ท่านเห็นชีวิตเนี่ยหนึ่งชีวิตเนี่ยนะเกิดแล้วก็ดับไปนี่เห็นทั้งชีวิตนะเกิดแล้วดับไปของเราต้องเห็นเป็นขณะขนะคงท่านปัญญาบารมีของท่านเยอะท่านเห็นเกิดแล้วตายท่านบรรลุลบางท่านแค่นี้ยังหยาบไปท่านยังไม่ไหวท่านก็เห็นละเอียดขึ้นท่านเห็นว่าชีวิตในวัยเด็กเกิดแล้วก็หมดไปชีวิตวัยรุ่นเกิดแล้วก็หมดไปชีวิตหนุ่มสาวเกิดแล้วก็หมดไป ชีวิตกลางคนเกิดแล้วก็หมดไปชีวิตแก่ๆเกิดแล้วก็หมดไปเนี่เห็นว่าชีวิตมันผ่านมาเป็นชั้นชั้นหรือว่าชั้นแห่งหวัยชั้นแห่งหวัยล่วงไปเรื่อยๆไม่มีใครต้านทานได้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านจะเกิดจนตายแต่ว่าเห็นละเอียดซอยออกมาเป็นช่วงๆท่านก็บรรลุได้นะก็บรรลุกันมาแล้วแต่อย่างพวกเรารุ่นนี้นะเราไปงานศพเราก็ไปเรื่อยๆใช่ไมไม่เห็นบนรรลุสักทีเลย เราต้องฝึกให้หนักกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะอย่าไปเทียบรุ่นพวกที่เขาบารมีเยอะเขาฟังจากผู้เจ้าแล้วก็ปิ้งเขพูดยากเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าพวกเราบารมีน้อยก็ต้องดูให้มากหน่อยดูเป็นชั้นแห่งวัยวัยเด็กวัยรุ่นอะไรยเงี้ยแค่นี้ยังไม่พอดูให้ละเอียดตูเป็นขณะขณะขณะที่ตามองเห็นเนี่ย กายเราเป็นอย่างนี้ใจเราเป็นอย่างนี้ขณะที่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเล่นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยร่างกายเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงดูมเป็นขณะขณะขณะไปนะวันหนึ่งวันหนึ่งต้อดูโอ้ยเป็นพันพันหมื่น ห, นหนครั้งได้ยิ่งดนะีจะมาดูแบบท่านดูตลอดชีวิตยาวๆเกิดแล้วก็ตายบรรลุปิ้งเราถ้าจะบรรลุยากหน่อยนะแต่ละคนเราก็สะสมบุญบา ร, รมีในทาง กิเลสเยอะสะสมกิเลสกันมาเยอะแต่ละคนเรารู้สึกไหมภาวนาแล้วเราเจอกิเลสเยอะในใจเราเต็มไปด้วยกิเลสใช่ไหมเยอะแยะไปหมดเมยงั้นยินรีเรายังหยาบนะบุญบารมีเราน้อยเราก็ต้องขยันดูบ่อยๆดูเรื่อยๆจะเห็นเน่เกิดแล้วดับเกิดดับเกิดดับฝึกให้มากนะแล้ววันหนึ่ง มันพอเมื่อไหร่มันก็บรรลุเมื่อนั้นแหละแต่คุณงามความดีทั้งหลายต้องทำนะจะเจริญปัญญาอย่างเดียวบรรลุไม่ได้หรอกศีนะี่นต้องรักษาสมาธิก็ควรจะฝึกศีนต้องรักษานะโดยเฉพาะศีนข้อ 1,2,3,4 สออยู่ในองค์มรรคข้อหเป็นตัวเสริมเป็นตัวสนับสนุนนะสัมมาวาจาก็เรื่องรักษาศีลข้อ4สัมมากรรมันต์รักษาศีล12นะสา แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตที่ถูกที่ควรชีวิตแบบไหนถูกควรเลี้ยงยังไงในชีวิตแบบไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างบางคนก็คิดมากไปจะปลูกข้าวขายเนี่ยไม่ได้ทําไม่นี่ก็ไม่ได้ทําไม่น่้นก็ไม่ได้นะกลัวบาปไปหมดเลยนะมันเวอรไปสิ่งที่พระเจ้าห้ามมันมีไ ม, ม, ม่กีก่ข้อหรอกนะอย่าไปเลี้ยงชีวิตด้วยอะไรการค้ามนุษย์ นะด้วยการค้าสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าอย่าไปค้าอาวุธอย่าไปค้ายาพิษในพวกนีนะ้มีอยู่ไม่กี่ข้อหรอกที่ว่าชาวพุทธไม่ควรทำนอกนั้นจะไปเล่นหุ้นได้ไหมก็ดังได้ท่านมไม่ได้ห้ามนะนะแต่เล่นหุ้นบองากฆ่าตัวเองถามจริงพวกเราใครเล่นหุ้นบ้างยกมือขึมีไหมกาไรหรือขาดทุนทก็มีทั้งกําไรมีทั้งขาดทุน เล่นรับขาดทุนตลอดไม่มีใครเล่นหรอกได้บ้างเสียบ้างก็ทำให้เรามีกำลังใจเล่นนะบางคนหลวงพ่เจอคนหนึ่งนะรวยหลายล้านเลยแต่เป็นใบหุ้นทั้งนั้นเลยเอาไปกินไม่ได้อะนะกินไม่ได้เวลาจะขายก็ไม่มีใครซื้ออย่างเงี้ยนะเป็นมายานะภาพลวงตารวยรวยอย่างนั้นฝึกนะฝึ ก, กจิตใจให้อยู่กับตัวเอง หายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูต่อไปก็เห็นในร่างกายกับใจไม่คนละอันกันหายใจไปหายใจไปใจหนีไปคิดรู้ทันทันทีที่รู้ทันว่าใจหนีไปคิดใจก็ตั้งมั่นหายใจไปหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจไหลไปอยู่ที่ลมรู้ทันว่าใจไหลไปที่ลมใจก็ตั้งมั่นหายใจไปหายใจไปลืมการหายใจนี่ใจฟุ้งซ่านก็กลับมาก็อยู่กับลมใหม่ ได้ความสุขได้ความสงบได้สมาธิชนิดสมาธะนะจยลองเอาร่างกายมาช่วยนะฝึกไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตถ้าไม่รู้ทันจิตไม่ใช่จิตอาสิขาหรอกนะพอไหวไหมก็น่าจะไหวนะเพราะกรรมฐานนี้ง่ายๆไม่เห็นมีอะไรเลยตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกไหมหายใจเข้าหายใจออก ใครหายใจร่างกายหายใจไม่ใช่ดีชั้นหายใจร่างกายหายใจเห็นไหมร่างกายเป็นคนหายใจเห็นไหมใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้เนี่ยแยกรูปนามนะร่างกายหายใจมีธรรมชาติที่รู้ว่าร่างกายหายใจอยู่ต่างหากอย่าไปมองหาว่ามันอยู่ที่ไหนเราจะหาไม่เจอจิตมีอยู่ แต่ไม่มีตัวตนถ้าพยายามหามันนะจะหาแล้วงงไปเลยเหมือนอย่างผีมีอยู่ที่นี่ก็มีที่ไหนก็มนะีแล้วอยู่ที่ไหนลองหาสิมีไหมหาง่ายที่สุดเลยดูเนี่ยผีขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอยู่นี่เองนะนะแล้วเที่ยวหาไปแค่หาไม่เจอนะจิตเนี่ยอย่าเที่ยวหามัน หลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนนึกว่าท่านจะบอกว่าจิตยอยู่กลางหน้าอกเนี่ยเพราะเห็นมันปรุงลุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วปรุงจากกลางหน้าอกนะไปถามท่านนะถ้าท่านตอบว่าจิตยอยู่กลางหน้าอกเนี้ยนะจะได้แอบภูมิใจจะได้ภูมิใจว่กูเก่งกูเก่งท่านบอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งเอาละสิถามแล้วยิ่งงงหนักกว่าเขาอีกนะไม่ได้คําตอบซะ ย, ยังจะดีกว่า พอได้คําตอบแล้วงงมากกว่าเกา่าจิตไม่มีที่ตั้งอย่าใช้จิตสแสวงหาจิตนะถ้าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอเอา้าวหนักเข้าไปอีกหลวงปู่บอกให้ดูจิตแต่บอกว่าอย่าไปหานะว่าจิตอยู่ที่ไหนนะนะรู้สึกไหมมันมันมีตัวหนึ่งที่เป็นคนดูเป็นทนรู้เป็นคนสั่งการนะเป็นพระเอกเป็นประธานนะร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องมือนะลองยกมือซิยกมือ เห็นไหมร่างกายมันถูกจิตสั่งให้ยกนะแล้วทาไมจิตมันสั่งก็หลวงพ่อสั่งเราอีกทีนะึงเราก็ยกเนี่ยจิตมันเป็นคนสั่งนะแต่ถามว่าแล้วมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจออย่าไปหามันแค่รู้ว่ามันมีอยู่ไม่ต้องหามันเหมือนเรารู้ว่าผีมีนะไม่ต้องไปหามันนะหาไงก็ไม่เห็นงั้นฝึกนะให้เห็นนะร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดู แล้วต่อไปมันก็จะเห็นละเอียดขึ้นมันจะเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นความสุขความทุกข์บางทีก็เกิดที่ร่างกายบางทีก็เกิดที่จิตใจยอย่างขณะเ น, นี้พวกเราจิตใจพวกเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ใครมีจิตใจที่มีความสุขยกมือซิใครมีจิตใจที่มีความทุกข์ยกมือซิเรามีเหมือนกันพวกอยากถามนะใครเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ยกมือซิจริงอ่ะ ยิ้มบ อ, อกแป้นแลนด์เงินนะทำไมเรารู้ล่ะว่าจิตมีความสุขแล้วจิตมันอยู่ที่ไหนทำไมเรารู้ไม่ต้องหานะมันรู้ได้โดยไม่ต้องไปหามันมันมีความสุขเราก็เห็นนะความสุขอยขา่างขณะนี้รู้สึกไหมความสุขกำลังลดลงละกลายเป็นอุเบกขาเป็นส่วนใหญ่ในห้องนี้รู้สึกไหมใจเริ่มนิ่งๆเนี่ยท่านิ่งต่อไปเดี๋ยวจะเครียดละ ทำไมอ่ะทำไมมันนิ่งขึ้นมาเพราะเราไปดูมันไหนหลวงพ่อบอกว่าจิตกำลังมีความสุขดูหน่อยสิเนี่ยนะดูปุ๊บอุเบกขาเพราะอะไรสุขไม่เที่ยงสุขเกิดแล้วดับไปแล้วยางจะเที่ยวหาความสุขอยู่อีกนะพออุเบกขาแล้วไหนว่าสุขนะสุดท้ายเครียดเลยฮะหายไปไหนหมดแล้วนะใจจากสุขนะพเพราะแปลอุเบกขาแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมา หมุนอยู่อย่างนี้เองเรารู้ได้อยู่แล้วจิตใจมีความสุขเร า, าก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้เราก็ดูออาร่างกายของเราบางทีก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกข์ความทุกข์ในร่างกายบางทีเกิดเป็นส่วนๆไม่ได้เกิดทีเดียวทั้งตัวสังเกตไหมที่อย่างเมื่อยนะ่ขณะเนี้ยใครเมื่อยที่เอวบ้างยกมือสิใครเมื่อยคอใครเมื่อยหลังใครเมื่อยขา บอกคนเมื่อยทั้งตัวเลยถามอะไรเมื่อยหมดเลยนะทําไมรู้ความป่วยความเมื่อยเป็นนามธรรมาเรารู้ด้วยอะไรรู้ด้วยใจวิจิตเป็นคนรู้ น, นั่นเองมันรู้ได้อยู่แล้วนะมนไม่ต้องดิน้นรนอะไรมากหรอกแค่รู้บ่อยๆจิตจะเป็นกุศลหรือจิตเป็นอกุศลเราก็รู้เอาขณะนี้จิตใครเป็นกุศลบ้างใครเบิกบานในธรรมะยกมือซีจิตเป็นกุศลนะ ใครเครียดมากเลยพระไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะนะมีไหมถ้าไม่รู้เรื่องก็ถือว่ายัางฟังน้อยไปต้องฟังอีกนะฟังจนวันหนึ่งรู้เรื่องแหละหลวงพ่อดูหน้าพวกเราไม่เห็นมีใครจะโง่อมตะได้เลยนะฟังบ่อยๆวันหนึ่งมันก็รู้เรื่องจนได้แหละใหม่ๆมันก็ยากหน่อยจะจีบสาวสักคนยังยากเลยใช่ไหมนะไปจีบสาวสักคนกนะยากมากเลย เดี๋ยวนี้ง่ายง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะเพราะสาวๆจีบผู้ชายแนละ้วที่หลวงพ่อรู้นะผู้ชายเหมือนดอกไม้ริมทางแนะทุกวันเนี้ย <c oughs> ถูกผู้หญิงหลอกลวงนเะนี่ยใจมีความสุขรู้แต่เมื่อกี้เป็นสุขที่เจอด้วยความฟุ้งซ่านรู้สึกไหมสุขแต่ว่าเจอด้วยความฟุ้งซ่านจิตตะกี้เป็นจิตกุศลหรืออกุศลจิตอกุศลมีความสุขแล้วก็มีโมหะคือความฟุ้งซ่านด้วยจิตเป็น จิตเป็นจิตชนิดไหนรู้เรียกว่าโลภะมูลจิตถ้าเมื่อไร่จิตเรามีความสุขนะแต่ว่ามันไม่มีสติมันฟุ้งซ่านเมื่อนั้นเป็นจิตที่มีโลภะเรียกโลภะมูลจิตถ้าเมื่อไร่จิตไม่แช่มชื่นเมื่อนั้นเป็นโทสะมูลจิตงั้นเวลาเราลงมือปฏิบัตินะเราดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูดูแล้เครียดใช่ไหมจิตเป็นกุศลหรืออกุศลจิตเป็นอกุศล ทำไมเครียดขึ้นมามันเริ่มแต่อยากดูอยากรู้ให้ชัดอยากจะเข้าใจมีโลภะเกิดขึ้นก่อนแล้วมันไม่เข้าใจสทัทีโทสะมันก็เลยเกิดหรืออยากจะรู้สึกตัวมีความอยากคือโลภะเกิดใจก็คอยหนีเรื่อยๆไม่ได้อย่างอยากโทสะก็เกิดนะกิเลสมันตามมาเป็นฝูงเลยเวลาทํางานทําเป็นทีมนะกิเลสนะตัวโมหะเป็นพ่อแม่กิเลส ตัวโลภาเป็นลูกนะตัวโทสะเป็นหลานทำงานเชื่อมกันไปมันก็มีอยู่สามตัวเท่านี้เองเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้จิตรู้ใจของเราจิตอย่างไหนมีความตั้งมั่นจิตอย่างไหนมีความสงบจิตอย่างไหนเป็นกุศลจิตอย่างไหนเป็นอกุศลจิ ต, จตที่เป็นอกุศลก็มีกิเลส แล้วก็สังเกตเอาบางทีก็เห็นกิเลสตรงๆถ้ามองกิเลสไม่ทันก็สังเกตอ้อมๆอย่างไม่แกสอนให้สังเกตอ้อมๆจิตมีความสุขแต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยต้องเป็นจิตมีโลภะนะจิตมีโลภะมันละเอียดดูยากกว่าจิตโกรธจิตโกรธดูง่ายเนี่ยค่อยๆให้ดูค่อยๆเรียนนี้แหละเรียกว่าจิตสิกขาสุดท้ายเราจะรู้ว่าจิตอย่างไหนเป็นกุศลอย่างไหนเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลนั้นดวงไหน เอาไว้ทำความสงบไว้พักผ่อนดวงไหนเอาไว้เจริญปัญญานะจิตที่จะเจริญปัญญาได้เนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลนะประกอบด้วยปัญญานะอาจจะสุขมีความสุขหรือมีอุเบกขาก็ได้แต่ต้องไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้มีสติมีปัญญาสติปัญญาเกิดเองโดยไม่ได้เจตนานะต้องจิตชนิดนี้ถึงจะไปใช้เดินวิปัสสนาได้จริงๆมีสองดวงนะเรียกว่า มหาคุโสระจิตญาณสัมพยุตนะอสังขาริกังอาสังขาริกังคือไม่ได้ชักชวนให้เกิดเกิดได้โดยอัตโนมัติแล้วมมีสองดวงดวงหนึ่งมีโสมนั้นมีความสุขดวงหนึ่งเป็นอุเบกขาะแจิตที่เป็นกุศลนะมีความรู้สึกสองอย่างเท่านั้นมีสุขกับมีอุเบกขาแต่จิตที่เป็นอกุศลนะมีสุขก็ได้นะอย่าไป น, นึกว่ามีสุขแล้วจะเป็นกุศลจิตราคะเนี่ยจิตที่มีราคะมีความสุข จิตที่มีโทสะก็มีความทุกข์จิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยจิตที่มีโมหะเป็นอุเบกขาได้จิตที่มีราคะเป็นอุเบกขาได้มีราคะบางทีจิตก็เป็นอุเบกขาได้แต่ถ้ามีโทสะเนี่ยจิตจะไม่มีความสุขเ น, นี่ยเราค่อยๆเรียนรู้จิตใจของเราต่อไปเราก็จะค่อยๆเห็นไปนะจนถึงขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติมันก็รู้ลองที่จิตที่ใจเองเราจะเห็นกระบวนการทางานของจิต รู้กระบวนการทำงานของจิตที่เรียกว่าปฏิจจสมบัติที่เรียกว่าอริยสัจนะจะเห็นในรู้เลยมันปรุงทุกข์ขึ้นมาได้ยังไงนะอยู่ดีๆไม่ว่าดีมนะพอมีผัสสะเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมากิเลสก็แทรกเพราะสติไม่ทันมีความสุขราคะก็แทรกมีความทุกข์โทสะก็แนทะรกพอราคะโทสะทำงานขึ้นมาก็เกิดอยากนะมันไม่มีอยากให้มันมี มีแล้วอยากให้มันอยู่หรืออยากให้มันหายไปของไม่มีอยากให้มีเรียกว่ากรรมตัณหาอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะได้ Gs, ยินอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนกรรมตัณหาได้อารมณ์ที่ดีมาแล้วอยากให้มันอยู่เรียกว่าภาวะตัณห voilà like าได right. ้อารมณ์ไม่ดีอยากให้มันหายไปเรียกว่าวิภาวะตัณหาเกิดตัณหาแล้วเนี่ยจิตจะดิ้นรนขึ้นมาสร้างภพขึ้นมา และจิตจะไปหยิบฉวยเอารูปนามคันห้ามาเป็นตัวเราของเรามาเป็นผู้กระทำผู้แสดงนะเป็นผู้กระทำการกระทำกรรมของจิตเรียกว่าพบนะก็ไปรวบเอารูปนามข้ามาเป็นตัวเราผู้แสดงเป็นพระเอกอยู่ในพบนั้นเป็นนางเอกอยู่ในพบนั้นนี่จิตมันปรุงขึ้นมาท้งนั้นเลยค่อยเรียนค่อยรู้ถึงจิตถึงใ จ, งใจตัวเองไปเรื่อยๆนะมันใช้ในขั้น จิตสิกขาก็าได้ใช่ในขั้นปัญญาสิกขาก็าไดนะ้แล้วก็รู้จิตรู้ใจตัวเองกิเลสมาเรารู้กิเลสมาเรารู้ศีลเราก็จะดีขึ้นใช้ได้ในขั้นศีลสิกขาด้วยนะงั้นการที่เรามีสติรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองเนืองเนืงนะศีลสิกขาเราก็ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดจิตสิกขาก็าได้เราจะได้สมาธิทั้งที่ทําความสงบทั้งที่ทําความตั้งมั่น รู้ว่าจิตอย่างไหนเป็นกุศลอย่างไหนเป็นอกุศลกุศลบางดวงใช้ทําสมถะเป็นสมถะกุศลบางดวงจิตบางดวงที่เป็นกุศลนะใช้ทํำวิปัสสนานะนี่เราจะรู้จะเห็นด้วยตัวของเราเองหลวงพ่อพูดแบบเป็นแผนที่ให้พวกเรารู้เท่านั้นเองแต่ถึงเวลาที่พวกเราทำอย่างที่หลวงพ่อสอนให้นะถึงวันนึงมันก็จะเห็นด้วยตัวเองคือคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองไปทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะอย่างวันนี้ก็แนะนําให้ ทำกรรมฐานแบบกว้างๆสากลคนส่วนใหญ่ทําได้ก็คือเห็นร่างกายหายใจร่างกายหายใจใครๆเขาเห็นแต่เราละเลยเท่านั้นเองเห็นมันหายใจใจเราเป็นคนดูก็ได้ครบนะได้ทั้งศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถึงปัญญาสิกขาถ้าถานัดรู้นามเราก็จะเห็นนะจิตซึ่งเป็นคนไปรู้รูปเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดบังคับไม่ได้ ถ้าถนัดรู้รูปมันก็เห็นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรามันถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลาจนะาเห็นอย่างนั้นนะไม่ได้เรื่องยากอะไรนะกรรมฐานถ้ารู้หลักแล้วหยิบอะไรขึ้นมาก็ เ, าเป็นกรรมฐานได้หมดนะนะแต่บางอย่างเป็นสมถะได้อย่างเดียวนะบางอย่างเป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสนาอย่างอนาปนสตนะิการเห็นร่างกายหายใจนะได้ทั้งสมถะทวิปัสนา กรรมฐ า, านบางอย่างเป็นสมถะอย่างเดียวอย่างการคิดพิจารณาว่าอาหารที่เรากินเป็นปฏิกูลนสัสผ่าอะไรพวกนี้นะเป็นสมถะอย่างเดียวไม่ขึ้นวิปัสสนาค่อยๆดูค่อยๆเรียนนะไม่ยากอะไรดอกพอสมควรครับนมันสการหลวงพ่อพระโมทครับก็พอดีมีโอกาสได้ภาวนาฟังซีดีมาประมาณสองปีนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสได้ส่งกันบ้านอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับก็ ปกติก็จะคือเน้นก็คืออยู่ก็คือพยายามฝึกตอนเช้าเชนะครับอยู่ในรูปแบบแล้วก็ก่อนนอนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นดูที่จิตไปนะครับความรู้สึกกันนะครับรอืแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าก็จะเพ่งหรือไม่ก็หลงไปเลยกับความคิดนะครับอืแย่าเสียข้อสอบถามว่าไม่ทราบว่าอยู่ในโลกในระดัไหนะหลวงพ่อถามบ้างถามหลวงพ่อมากันมากแล้ว สังเกตไหมว่าเดี๋ยว น, นี้กับเมื่อก่อนเราไม่เหมือนกันเห็นความต่างบ้างไหมเป็นบางครั้งแต่จะไม่เคยทราบสภาวะมาก ร, รู้สึกไหมว่ากายกระใจเนี่ยโค่ล้านกันเป็นบางครั้งครับรู้สึกไหมว่าความรู้สึกกระใจเป็นโคล้านตัวนี้เห็นชัดกว่าเนหะ็นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยกระใจโคล้านใจเป็นคนรู้ใช mm ่ hmm. ไหมนี่มันแปลกปลอมงนั้นถนัดดูจิตให้ดูจิตไปนะดูจิตไปแต่ใจอย่าถลำลงไปดู ให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานะที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะขันมันเริ่มแยกแล้วละ่ะผมขอกั้านได้ไหมครับนี่ไงทำต่อรตรงนี้ทำได้จนถึงพระอรหันต์นะรู้ทันมันไปเรื่อยใจมันจะลดละกิเลสไปขอบคุณครับเห็นกิเลสบ่อยไหมเออเนืองๆครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลงไปกับความคิดครับเอออย่าไปหลงมันความคิดนั่นแหละเป็นมานตัวฉกาดเลย ชื่ออาภีสังขารมานอย่าไปหลงกลมันนะมานมานเนี่ยมีหลายส่วนมีทั้งห้าชนิดมานมานอันหนึ่งขันธมารกายเรานี่มันบีบคั้นอยู่ด้วยทำให้ภาวนาลําบากจะอยากจะเดินถงกลมแก้งขาก็เด้งอะไรอย่างนี้นะมัจจุมารจะภาวนาดีๆตายซะก่อนเนี่ยมันเบียดเบียนร่างกายนีนะ้มานที่เบียดเบียนจิตใจกิเลสมาน อาพิสังคารมานความคิดปลุงของเราเนี่นะอย่าไปยอมแพ้มันอย่าไปเชื่อมันมารีกงานเป็นมารภายนอ ก, นกเทวพุตตมารคือพวกที่มีพลังจิตดีๆเป็นมนุษย์ก็ได้นะอามนุษย์ก็ได้เนี่ยเทวพุทตมานคอยแกล้งกลัวว่าเราจะพาวาดีกว่าเขาในแกล้งของคุณได้เจออาพิสังคารมานอย่าไปยอมแพ้มัน คุณจะรู้ไปที่ความรู้สึกหรือรว่าเวลาคิดก็รู้อย่างนี้เหรอครับรู้ทันว่ามันคิดอย่าไปหลงช่วยมันคิดก็แล้วกันแต่ไม่ห้ามนะคิดได้แต่คิดแล้วรู้อา้าวหลงไปคิดแล้วนะคอยทักมนะัน่ะอ้าวหลงไปคิดแล้วไม่ห้ามนะอย่าไปบอกอย่าหลงนะอย่าหลงนะอย่างนี้ไม่ได้ใจจะเครียดผิดเลยให้หลงไปคิดแล้วรู้ว่าหลงไปคิดเหมือนที่หลวงพ่อสอนมาตะเกียวนะว่าจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนนี่เคลื่อนไปไหนเคลื่อนไปคิด แค่แบคิดเรารู้นะจิตจะตั้งมัน่นจิตตั้งมันนะ่นแล้วเราก็จะเห็นนะยจิตมีความสุขก็รู้จิตเป็นอุเบกขาก็รู้เกิดดับไปเรือ่อยๆครับพมรสการหลวงพ่อค่ะออพอดีว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกที่คอกับหลังก็เลยต้องขออนุญาตนั่งเก้าอี้ได้หลวงพ่อเขไม่ชอบนั่งพื้นเ อ, อได้มีโอกาสฟังทำซีดีของหลวงพ่อเมื่อเดือนประมาณเดือนหนึ่งค่ะเริ่มมาปฏิบัติแนวแนวทางนี้ค่ะ แต่ก็เกิดเห็นเห็น mm hmm. ความเป็นแปลงของตัวเองอะค่ะแล้วกออ็มีข้อสงสัยในการปฏิบัติในรูปแบบค่ะเพราะว่าไม่สามารถนั่งหือยืนยืนนานได้ค่ะก็เลยใช้วิธีฟังซีดีแล้วก็นอนนอนแล้วก็มองมองกายหายใจอะค่ะอืได้ดูากายหายใจนะใจเป็นคนดูสบายสบายบางทีก็จะเคล้มค่ะก็จะใช้วิธีกำมือแบมือได้ได้นะต้องรู้จักช่วยตัวเองนอนนิ่งๆเดี๋ยวหลับไป ก็นอนกระดุกระดิเกเนาะหลวงพ่อจะบอกให้นะหลวงพ่อเองอะตอนบวชพรรษาที่สามบวชได้สองปีนิดๆในพรรษาที่สามโยมก็มาเยอะนะ ช, าชาวมาวัดเนี่ยเราก็สอนจนเหนื่อยมากเลยพอโยมไปแล้วหมดเรียกหมดแรงนะนี่จะทำไงนั่งสมาธิก็ไม่มีแรงไปนอน รู้สึกเมื่อยทั้งตัวเลยนอนหลับไปตื่นหนึ่งนะเพราตื่นขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีแรงลุกขึ้นมาเดินจงกรมมันได้เวลาต้องลุกขึ้นมาลดต้นไม้แนละ้ววิธีเดินจงกรมของหลวงพ่อเพื่อเดินลดต้นไม้มีผลผลิตด้วยยังไม่มีแรงยังลุกขึ้นเดิน น, ะนอนเขย่าขาแทนที่จะนอนเนี่ยขออีกยิบไม่เอาอะนอนขยับเท้ายัางเดินจงกรมลุกขึ้นมาเดินไม่ได้ต้องเขย่าขาไ้ก่อนเขยา่าเขย่านะ ใจมันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นกุดดูนะมันเหวี่ยงร่างกายกระเด็นเปลี่ยงออกไปเลยนะงั้นอย่าให้หลับก็แล้วกัน<ะ> <c oughs> ปกติในชีวิตมันก็จะค่อ ย, อยมองจิตค่ะก็ค่อยมองได้บ้างว่ามีโทสะเข้ามามีโลภะโมหะของโยม <c oughs> ของโยมมันมองจริงจังไปนิดนึง<ะ>การภาวนาเนี่ยมันดูเดือดไปหน่อยคะอย่าภาวนาให้เคร่งเครียดนะต้องภาวนาอย่างสบายใจ ถ้าภาวนาแบบเคร่งเครียดนีนไม่ค่อยดีหรอกเครียดไปยิ้มหวานหวานยิ้มแบบให้ใจมันยิ้มจริงๆอ่ะแล้วค่อยดูเอาเนาะต่อไปกลับนมรสการหลวงพ่อคะ่ะคือว่าหนูมาส่งการบ้านงวดที่แล้วสามเดือนกว่านี่ก็คืองวดนี้มาตามผลว่าพัฒนาการก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวมากขึ้นเห็นกิลเลสเยอะอะไรเงี้ย อ, อยากทำเพราะว่าตอนนี้เริ่มเดินมิปัสนาแล้วบ้างหรือยัง เห็นไหมกายกับใจเป็นคนละอันเห็นไหมมันทํางานได้เองเอถ้าเห็นมันทํางานได้เองเนี่ยขึ้นวิปัสสนาละแต่ถ้าเห็นมันเป็นคนละอันเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนาถ้าเห็นว่าแต่ละอันแต่ละอันเกิดดับแต่ละอันแต่ละอันไม่ใช่เราเราไม่ได้สั่งมันเห็นว่ามันไม่ได้สั่งมันแล้วมันไม่ใช่เราแต่ว่ามันไม่ทันเห็นเกิดดับกับชัดๆไม่เป็นไรมองในมุมของอนัตตาไปเลยมองมุมเกิดดับเนี่ยมองอนิจจัง ถ้าเราไม่ถนัดอ น, นิจจังจีงเราชอบอนัตตาพวกปัญญากล้าจะดูอนัตตาดูอนาาิจจังไม่สะใจจะดูอนัตตาไปให้เห็นมันทํางานได้เองจะเห็นอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆไปทําอีกอย่าให้เครียดก็แล้วกันค่ะนี้ว่าพอดีมีพี่สาวที่อเมริกาเขาฝากคําถามมาอย่างเงี้ยค่ะวราแกฟังซีดีในของหลวงพ่อแล้วมีคําถามว่าเมื่อกี้หลวงพ่อพูดแล้วว่าอย่าสแสวงหาจิตผู้รู้แต่ว่าในในแกฝากถามแล้วเลยขอถามว่า จิตผู้รู้ผู้ดูอ่ะกระถามว่ามันมีสิที่ผลหนึ่งกระถามพอดถึงว่าจิตผู้รู้ผู้ดูค่ะมีตัวหนึ่งอยู่ที่หัวหรือตัวหนึ่งที่อกหรือว่าทั้งสองที่เลยเงี้ยค่ะไม่ใช่สักตัวตัวที่หัวก็ถูกรู้ตัวที่อกก็ถูกรู้นะจิตไม่มีที่ตั้งหรอกนี่จะถามว่าตัวตัวที่ตัวที่แบบว่าตัวที่เวลาที่มันย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองนะเป็นตัวไหนก็ไม่ใช่สักตัวเลย ตัวไหนก็ตามนะตัวนั้นเกิดชั่วขณะแล้วดับทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ไปตั้งอยู่ที่ไหนหรอกจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูดับที่หูหเกิดที่ใจดับที่ใจเราจะถามว่าตัวที่มันออกมานอกๆอะคะ่ะไอ้ น, นี้ยเกิดจากเราไปตั้งตัวรู้แรงไป<อ>จิตติดสมาธิมันจะอยู่ตรงรเออนั่นแหล ะ, หละเพราะว่าทําสมาธิแบบเพ่งมากไปเลยจะเกิดตัวรู้แบบแข็งๆขึ้นมาซึ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่ หลวงพ่อก็เคยเล่นพระหลวงพ่อเล่นสมาธิมากนะแต่ก่อนนะแล้วหลวงพ่อก็พบอย่างหนึ่งเอ๊พระพุทธเจ้ากับหลวงปู่ดูลสอนขัดกันเห็นอย่างนี้นะแต่เราไม่คิดปรามาตครูบาอาจารย์แล้วคิดว่าเราต่างหากยังไม่เข้าใจและสุดท้ายก็คือเราไม่เข้าใจจริงๆท่าไม่ได้สอนขัดกันพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกเห็นไหมทุกมันอยู่ตรงนี้หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตไอ้คนนี้เป็นคนดูจิตมันน่าจะอยู่ตรงนี้เราจะดูตัวไหน ก็คือปัญหาเดียวกันอะจะดูตัวนี้หรือจะดูตัวนี้แถมยังมีตัวที่สามเป็นคนรู้ทั้งสองตัวอีกจะเอาตัวไหนนะว่าจะถามหลวงปู่ดูลไม่ถามเอาไว้ดูก่อนรอไปรอมาหลวงปู่ดูลมรณภาพนะเลื่อไปเรียนจากหลวงปูเทสว่าจะถามเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูเองท่านก็มรณภาพนะอยู่กับหลวงปู่สิมท่านก็มรณภาพอีกนะใช้เวลานา น, านมากเลย วันหนึ่งถึงจะรู้นะว่าทั้งสองตัวไม่ใช่จิตหรอกนี้ของหนูก็คือภาวนาต่อไปเรื่อยๆใช่มของหนูติดสมาธิสมาธิที่หนูทำไม่ถูกมันเป็นสมาธิที่กดตัวเองไว้สะกดตัวเองไว้สมาธิชนิดสะกดตัวเองเนี่ยทำให้สงบได้ทำให้สบายได้และทำให้จิตใต้สำนึกทำงานได้แต่ไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาจริงนะต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งสมาธิผิด ไปทําสมาธิโยกโยกก็เราก็รู้รู้ไปเรื่อยอย่างนี้รู้สึกตัววิธีแก้คือรู้สึกตัวรู้จักไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยอย่างเนี้ยกี่ชาติก็อยู่อย่างนี้เลยนะไม่ได้นะมันไม่ใช่จิตหรอกตัวเนี้ยเราไปตั้งมันขึ้นมามันมันบังคับขึ้นมานะสร้างขึ้นมาด้วยกําลังของสมาธิคล้ายๆดันตัวเองแล้วเราบอกเนี่ยแยกรูปนามเห็นไหม รูปอยู่นี่นามอยู่นี่จิตอยู่ตรงนี้ดูไปดูมานะสุดท้ายนะ่จะพบเลยจิตไม่ได้ตั้งตรงไหนหรอกจิตเกิดที่ไหนจิตดับที่นั้นนะแล้วก็ที่พระเจ้าบอกให้รู้ทุกอันนี้ก็ทุกไอันนี่ก็ทุกนะที่หลวงปู่ดูลสอนบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเนี่ยท่านพูดแบบออม อ, อมไหมที่เต็มภูมินะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอารหัตตมรรค จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าอะไรว่าจิตนี้คือตัวทุกขเรียกว่ารู้ทุกแจ่มแจ้งก็ ล, ละสมุทยัยและแจ้งนิโรธเกิดอรหัตตะมักขึ้นท่านสอนนั่นเดียวกันนะเพราะจิตนี่แหละคือตัวทุก์ที่หลวงปู่ดูลบอกว่าให้ดูจิตนะพระพุทธเจ้าบอกให้ดูทุกนะมตัวเดียวกันแล้วจิตนั้นตัวทุกเป็นตัวพ่อตัวแม่ของตัวทุกเลยขันหานี้ อาศัยจิตดวงเดียวนี้แหละสร้างขันห้าขึ้นมานะเวลาที่เรายังดูเข้ามาไม่ถึงตัวจิตแทนะ้เราเห็นขันห้าเป็นตัวทุกขนะ์แล้วมันวางตัวขันอื่นๆไปแล้วมันเข้ามาที่จิตดวงเดียวแต่ตรงที่วางเข้าที่จิตดวงเดียวไม่ได้ตั้งที่นี่แล้วนะถ้าตั้งที่นี่ยังใช้ไม่ได้นะเป็นตัวปลอมมันตั้งที่ไหนมันไม่มีที่ตั้งมันมีอยู่แต่ไม่มีที่ตั้งมันทางานได้ไม่มีรูปรัก ไปฝึกใหม่นะสมาธิไม่ถูกนะมัศการหลวงพ่อค่ะเอ่อตอนนี้จิตหนูตื่นหรือยั ง, งคะบังคับอยู่ไหมตัวนี้แหละเลิกซะตัวนี้แหละที่ผิดเราบังคับมากไปแล้วก็อย่าไปทำให้มันเคลิ้มอย่าไปแกล้งทำให้มันเพลเพลินเคลื่อนไปนะ ส, สติมจะอ่อนไปสมาธิมันจะล้า แล้วเสร็จแล้วเราก็เอากำลังสตนะิไปรักษาจิตไหมจิตก็แข็งขึ้นมาจิตหนูตื่นหรื อ, อยังคะตื่นไม่ตื่นมันต้องรู้ด้วยตัวเองหลวงพ่อถามเองดีกว่าตอนนี้จิตถึงฐานไหมคิดว่าถึงไหมมันรู้สึกฟุ้งซ่านนะคะใช่เพราะฉะนั้นจิตออกนอกจิตกระจายออกไป โดยสภาวะของคุณนะคำว่าจิตตื่นเนี่ยเป็นเรื่องเด็กเกินไปแล้วขันมันเริ่มแยกแล้วสังเกตไหมว่ากายกระใจเป็นโคล้าน<อ>รู้สึกไหมสุขทุกข์ดีชัว่วกระใจก็โคาลานกันค่ะก็เป็นบางขณนะใช่สิถ้าตลอดเวลาคือพระอรหันนะ <c oughs> <c oughs> ได้ขณะข น, นั่นแหละก็แต่ตอนนี้หนูพีปัญหาว่า ทั้งตัวเนี่ยมันรู้สึกแบบมันสซ่านมันมีแรงหมุนอยู่ในตัวแล้วก็เ อ, อเจ็บที่กลางหนะ้าอกบ้างเจ็บที่สมองบ้างไปนะทำสมาธิที่ไม่ดีนะ ร, รู้สึกตัวจริงๆรู้สึกแปเรารู้ทันจิตไปจิตศิกขาไม่ใช่การน้อมจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะจิตศิกขาคือการเรียนรู้จิต<ม>เขาทํางานยังไงเขาเป็นยังไงรู้อย่างที่เขาเป็นไปหมายถึงว่า เ, ออเวลามีอาการอะไรเกิดขึ้นก็เราแค่รู้ย้อนกลับมาที่จิต เวลามีอาการเกิดขึ้นใช่มันสซ่านขึ้นมาอย่างเงี้ยจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตเรายินร้ายให้รู้ทันเข้ามาที่จิตอย่างนี้อไม่ใช่ดึงกลับเข้ามานะถ้าดึงเข้ามาจะบอกว่าเข้ามาที่จิตนั้นไม่ใช่นะนั้นบังคับจิตวันนี้ทําไมนัดหมายกันมาเนะื้อติดสไตล์คล้ายๆกันมากเลยมาด้วยกันนึก่าพวกเลือดสุพรรณด้วยกันก อ, อไม่ถูกหรอก แข็งไ ป, ง ไ, ปได้ยินไหมคําว่าจิตมีความเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแ ก, ก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์จิตตัวนี้ไ ม, ไม่ไม่เบารู้สึกไหมไม่นุ่มนวลรู้สึกไหมไม่ว่องไวรู้สึกไหมทื่อๆแข็งๆมีฉาสมาธินะระวังแล้วต้องถ้าทาผิดก็อย่าทําสิหายใจใหม่หายใจไปสบายสบาย กรรมฐานที่ดีคือกรรมฐานที่พุทธเจ้าสอนแล้วเราไม่ต้องไปค้นคนว้ากรรมฐานอะไรใหม่ๆหรอกหายใจไปมีสติเห็นร่างกายหายใจออกมีสติเห็นร่างกายหายใจเข้าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีสติเห็นร่างกายนะไม่ใช่จ้องลมหายใจด้วยนะ mm hmm. แล้วก็ไม่ได้น้อมจิตให้แปลกๆด้วยพอดีหนูมีปัญหาแบบเคยเจออุบติเหตุฟาต้นคอมส ป, ปีที่แล้วแล้วทีนี้มันกลายเป็นเหมือนบันทึกสัญญาใหม่หรืออะไรอ่ะแบบว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจตลอดเวลานะคะแล้วเวลาอามาปฏิบัติเนี่ยถ้ามไม่ชอบลมก็ไม่ได้ก็ดูอิทิยาบทเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูไปนะถ้าจิตหนีไปก็รู้จิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วก็รู้เนะอาคือดูในสติปัฏฐานสี่นะไปเลือกดูว่าจะใชอารมณ์อะไร นั่นแหละพระพุทธเจ้าเลือกไว้ให้แล้วะ<อ>ใครก็ไม่เก่งเท่าพุทธเจ้าหรอกอแล้วสรุปตกลงให้หนูเลือกอะไรก็ได้เหรอคะไปดูสิทำอะไรแล้วสติเกิดเอาอันนั้นนะนะอย่าให้จิตล็อกก็แล้วกันจิตล็อกอยู่ไม่ดีนะมันเหมือนรู้ตัวมันเหมือนแยกขันได้แต่มันแข็งนะมันไม่ได้เบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงาน นั้นสมาธิไม่ถูกนะขอบคุณค่ะมาสกรคเขาหลวงพ่อคล้ายๆกันอีกมาด้วยกันมาปีแล้วครับไม่เคยส่งขณดนี้ประคองอยู่เปล่าประคองครับเออถ้ารู้แล้วก็ใช้ได้ประคองเพราะอะไรเพรากลัวไม่ดีอย่ากลัวสิไม่ดีรู้ว่าไม่ดีพูะจ้างไม่ได้บอกว่าต้องดีนะ ท่านบอกว่าพิสูนทั้งหลายจิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคาเห็นไหมมีราคาก็ได้จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะมีโทสะก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องดีจิตไม่ดีก็รู้ทันก็จะเห็นว่าจิตไม่ดีเกิดแล้วก็ดับไปบจิตไม่ดีก็สั่งไม่ได้ต้อเดินอย่างนี้นะเดินปัญญาต่อทานี้ไปเรื่อยๆครับเวลาที่จิตมันมีสมาธิสมาธิอย่างคุณสามคนเนี่ยจิตมันมีสมาธิ แรมสมาธิที่จิตมันถอดทรงตัวเด่นขึ้นมาสมาธิอย่างนี้เอาไว้ทำสมถนะแถมไม่ค่อยสบายซะอีกเครียดรู้สึกมึนๆหัว ห, หน่อยหมอห้องนี้แน่นอนแล้วเพ่งมากๆไม่ดีนะครับพลังของจิตมันกระทบสมองนะเกี่ยวกับสวดบนนานไหมครับอ๋อสวดวนหนึนนชั่วโมงหนึ่งสวนวนไม่เป็นไรอย่าบังคับจิตสวนบนไปสบายใจนะ ต่อไปมีอีกไหมได้วันนี้ช้ามากเลยเพราะว่าแต่และคนนี่เคสหนักๆทั้งนั้นเลย <c oughs> พวกติดสมถะ <c oughs> นิมมัตสการ์ค่ะล่าสุดในหลวงพ่อบอกว่าหนูจิตไม่ค่อยยังไม่ถึงฐานก็มันก็สบายอยู่พักหนึ่งแต่ตอดนีช่วงก่อนนี้เป็นหวัดแล้วก็ไอามากๆ ก็เริ่ม ก, ก็เลยรู้สึกว่าโอ้สงสัยตายไปคงจะไม่รอดแน่นอนนะคะใช่ถ้าตายก็ไม่รอดถ้ะไม่ใช่ถ้ารอดก็ไม่ตายถูกค ง, งตกเอาบายอะคะ่ะก็เลยก็เลยก<ะ>็ไม่จ ะ, ะตกอะ่ะไม่รู้ค่ะเพราะหนูว่าถ้าหนูเพราะตอนที่ไอามากมากรู้สึกประจิตมันมันคือเราไม่เคยดูเวทนาเออตรงเนี้ยถ้าถ้าสมมติหนูใกล้ตายอะคะ่ะคือหอยัดตัว น, น, นเวลา <c oughs> เวลาจะตายจริงนะถ้าเราเคยฝึกกรรมฐานมาไม่ว่าอันไหนนะถ้าฝึกถูกนะ จะกายเวทนาจิตทำก็ตามอ่อขณะที่จะตายจริงๆแลมันตัดความรู้สึกทางกายออกก่อนนะมันเหลือแต่ใจคราวนี้ใจมันทำงานมันเหมือนเราหลับลงไปลึกๆนะั้นล้วฝันน่ะหลับแล้วฝันน่ะไม่มีร่างกายหรอกค่ะ <ขา S 1> เพราะงั้นร่างกายกระสับกระสายอยู่ไม่มีผลเท่าไหร่หรอกอ๋อความเจ็บของร่างกายจะไม่มีผลกับเราไม่มีผลรหรอ ก, ร อ, กอยู่ที่จิตเราฝึกไว้ดีแค่ไหนค่ะแล้วแล้วที่สองาทิตย์ที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่าจิตหนูเป็นกุศลนะคะมันคือมีแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกทีนี้ ทีนี้ตัวที่คือเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่คือถ้าหลวงพ่อบอกให้ไปดูงี้มันจะจนกว่ามันจะอยากดูดูของมันเองอืมอย่างเช่นอาทิตย์ที่ผ่านมาคือจะดูชอบไม่ชอบแล้วก็เป็นกลางอืแต่มันจะไม่ค่อยเห็นทีนี้หนูตั้งใจถ้ามันเกิดขอขอกลับไปดูมานนิดนึงได้ไหมคะเพราะนนั้มันเป็นอย่างเงี้ยชอบไม่ชอบเป็นอย่างนี้แล้วทําไมอะคือกลับไปดูมันได้ไหมคะถ้าตั้งใจไปดูมันเลยอะค่ะถ้าถ้าตั้งใจไปดูมันอะค่ะ ถ้าถ้าเราแค่รู้มันจะไม่พอค่ะถ้าแค่รู้แต่อยากรู้ให้มันชัดก่อนให้มันจํามันได้ได้ไอ๋อถ้าอย่างนั้นสติยังไม่เกิดแต่ว่าหัดจําสภาวะใช่ใชได้แต่ว่าต้องรู้นะว่านั้นเป็นวิธีฝึกให้เกิดสติคแต่เวลาที่สติทํางานจริงอย่าไปทําอย่างนั้นปัญญามจะไม่เกิด อืม อ, อีกข้อเดียวค่ะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งก็ไม่ไดแ้แล้วเราเดินก็มันรู้สึกมีอะไรแน่นๆอยู่ตรงนี้ค่ะคือรู้เพราะว่าถ้าเราจะเริ่มเต้นจงกรมเราจะรูเราเริ่มทําอำมมันจะมีแน่นๆถ้าเราเปลี่ยนไปฟังธรรมะจากเอ็มสามแล้วก็รู้มันเคลื่อนไปอย่างนี้เป็นในรูปแบบอย่างนี้ได้เกิดวันไหนไฟดับหรือฐานหมดอ่ะกรรมฐานที่พระเจ้าสอนนะเป็นกระมฐานที่อยู่กับตัวเราไปไหนก็ได้มีตลอดนะ ถ้ากรรมฐานของเราอยู่ที่เอ็มพีสามเนี่ยมันนอาศัยอะไรข้างนอกนะต้องพยายามเอากรรมฐานที่อยู่ในตัว <c oughs> อันนั้นคือการดูจิตอย่างเราฟังเอ็มพีสามไปจิตเราสนุกเรารู้จิตเราสงสัยเรารู้นนั่นคือการฝึกดูจิตเท่านั้นเองอขอบคุณค่ะคุณผู้ชายที่สง่งกันบ้านแล้วนะอย่าเพ่งมากนะนึกออกอยังว่าเพ่งอยู่เพ่งตัวรู้น่าเด่นดวงเลย แต่ว่าจิตไม่ได้แข็งลักษณะจิตที่แข็งนะขาดอะไรขาดลาหูตาขาดความเบานะขาดมุทุตาความนุ่มนวลขาดปาคุณตาความคล่องแคล่วว่องไวนี่ตัวนี้นิ่งตลอดเลยไม่คล่องแคล่วเลยขาดกรรมัญญาตาความควรแก่การงานตัวนี้ไม่ควรแก่การงานตัวนี้ขี้เกียจไม่อยากยุ่งอะไรกับใครนะขาดอุชุกตาความซื่อตรงในการรู้อารมณ์เพราะมันไม่อยากรู้อะไร ปรับซะนะสมาธิสมาธิจําเป็นนะแต่ต้องฝึกให้ถูกชนิดมิหน้าวันนี้หลวงพ่อมาถือประเทศแต่เรื่องสมาธินะเพราะพวกนี้มันนั่งอยู่ข้างหน้าเรานี่เองเออเริ่มมากเลยวันเนี้ยเรื่องสมาธิอ้าวตอบไปนามัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทางนี้คะ่ะเอคือว่าหนูเพิ่งเริ่มฟังซีดีของหลวงพ่อคะ่ะก็เลยอยากจะขอคําเมตตาขอคําแนะนําจากหลวงพ่อเวลาโมโหรู้ไหม รู้เจ้าค่ะเ อ, อเวลาอยากโน้อนอยากนี่รู้ไหมรู้เจ้าค่ ะ, อะคอยรู้บ่อยๆนะไม่ได้ห้ามอะไรมันหรอกเจ้าค่ะความรู้สึกอะไรก็เกิดอย่างอยากพูดรู้ไหมไมันจะมีแรงดันปุ๊บขึ้นมาเวลาเราอยากนะเนี่ย ค, คอยรู้เท่าทันไปเรื่อยๆเราคือว่าถ้าคือหนูเคยแบบว่าเหมือนรู้ว่ามันคิดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วพอรู้ว่าคิดปุ๊บแล้วมันก็เออเรา ไม่คิดแล้วก็มันก็จะคิดใหม่แล้วมันก็จะอยากคิดใหม่เราอย่าไปฝึกตัวเองไม่ให้คิดนะเราเป็นมนุษย์มนุษย์คิดเป็นเราไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ก้อนหินเรามีพัฒนาการมายาวไกลแล้วอย่ากลับไปเป็นต้นไม้ให้มันคิดไปพอมันคิดแล้วเกิดสุขให้รู้คิดไปแล้วเกิดทุกข์ให้รู้นะคิดไปแล้วเฉยๆก็รู้คิดไปแล้วโลภโกรธหลงก็รู้อาศัยการคิดของมันนั่นเองทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิต การคิดของจิตก็คือการที่จิตกระทบผัสสะอย่างหนึ่งนะมันเหมือนตาเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนนี่จิตไปคิดจิตก็เปลี่ยนงั้นเราไม่หลีกเลี่ยงการกระทบผัสสะนะให้เขาคิดไปแต่ว่าคิดแล้วใจเป็นยังไงก็รู้เอานะขออนุ ญ, ญาตถามให้คุณแม่ค่ะคือคแม่ทาแบบเวลาเดินจงกรมอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่จะหนักที่ตาแล้วก็จะรู้สึกง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะยวไปบังคับมันนะให้คุณแม่ไปเดินชอปปิง้ง แต่ว่าอย่าพกกระเป๋าตังค์ไปอย่าพกอย่าพกบัตรนะไปเดินช้อปปิ้งเลยเดินไปเรามักจะคิดว่าการเดินจงกรมนี่ต้องเดินอย่างนี้เดินไปเดินมานะมันจะเริ่มบังคับตัวเองเริ่มน้อมใจให้ซึมซึมไปนะใจก็ซึมดีก็เครียดเครียดไปเลยถ้าบังคับมากก็เครียดนะถ้าไปเดินเดินไปเดินมาแค่รู้สึกตัวนี่ก็เดินจงกรมแล้วละ หนูข อ, อกันบ้านเจ้ข อ, อของหลงพข้าวหนูใจฟุ้งซ่านเก่งนะดัราันหนูต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แต่อยู่กับลมหายใจไม่ได้ไปจ้องลมนะให้เห็นร่างกายไี่หายใจไปหรือจะพุโทโธก็ได้พุโทโธพุโทโธแล้วถ้าใจหนีไปก็รู้ถ้าไม่ชอบพุโทโธจะเอาคําอื่นก็ได้เอาชื่อชื่อแม่เราก็ได้บริกรรมชื่อแม่เราก็เป็นสิริมง ค, คลเหมือนกันคุณนะแล้วก็รู้ทันจิตไป ต้องมีเครื่องอยู่นะงั้นใจยังฟุ้งเก่งขอบพระคุณเจ้าค่ะอนสัสกายครับก็อตอนนี้ก็ภาวนาในรูปแบบทุกวันนะครับโดยการขยับมือแต่รู้สึกว่าในชีวิตประจายวันสติมันไม่ค่อยมาครับสติสติมไม่เกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นถ้าเราขยับมือแล้วทำใจเฉยไม่ได้ดูสภาวะนะสติมันก็ไม่มา แม้ขยับก็ขยับเล่นๆไปนะแต่ขยับไปแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้ขยับไปแล้วเกิดกุศลนกุศลให้รู้อย่างเนี้ยถึงจะดีถ้าขยับแล้วก็รู้สึกอยู่เฉยๆกับการขยับไม่ค่อยได้สติแล้วก็หลวงพ่อเคยสอนว่าให้ไปดูจิตที่มันไหลอะครับแต่ยังดูไม่ค่อยเป็นนะครับว่าว่ามันไหลยังไงไหลไปมันก็ไม่มีอะไรมันวิ่งไปที่อื่นนะยังลองดูพระพุทธรูปสิ วิธีซ้อมดูจิตไหลนะดูในร่างกายเนะี่ยเราเลิกถึงผมให้เอาจิตไปไว้ที่ผมอนะพออยู่ได้ที่แล้วย้ายที่มาอยู่กับหูอะไรเงี้ยย้ายไปย้ายมาต่อไปเนี่ยจิตมันไปไหนเราเห็นหมดเลยนะครับเราซ้อมมาถึงจะเห็นแล้วก็มีมีพอดีมีอาจารย์ฝากถามมานะครับว่าตัวตนเนี่ยเกิดตอนเผลอใช่ไหมครับใช่ไม่ไม่ไม่เผลอไ ม, อไ ม, ไม่ไม่มีหรอกตัว ต, วตนเพราะตัวตนไม่มี การปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละตัวตนนะเพราะ ต, ตัวตนไม่มีให้ละมีแต่ความหลงผิดว่ามีตัวตนเพราะงั้นเราทําลายความหลงผิดนกมณฑกายครับนกมณฑการค่ะหลวงพ่อค่ะคือว่าที่ปฏิบัติอยู่ก็คือทําตอนเช้าค่ะแล้วก็สังเกตตัวเองได้ว่าเห็นกิเลสตัวเองเยอะมากโดยเฉพาะในทางด้านโทสะค่ะแล้วก็ ที่ที่ที่ตอนนี้ก็คือบางทีมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยจากเดิมที่เราเราไม่รู้ว่าเราหนีแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราหนีรู้ก็ดีแล้วละะ่ะค่ะก็รู้สึกว่าใจกล้าที่จะสู้กับปัญหามากขึ้นเยอะอดูดูเขาทางานไปน ะ, ะใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแค่รู้ไม่บังคับคะน ะ, ะจิตใจเป็นไงก็รู้ร่างกายทํางานไปก็รู้นะ ตอนไหนรู้ไม่ได้ก็สวดมนต์ไปพุโทโธไปอะไรไปทำความสงบจะได้แรงขี้โมโหก็จเจริญเมตตาไปก็ขอบพระคุณค่ะแล้วก็อยากจะถวายการปฏิบัติแล้วก็ทำให้ขอบพระคุณหลวงพ่อที่ทำให้ทราบว่าชีวิตที่เหลือนี้คนจะทำอะไรค่ะเออทอนุโมทนานะชีวิตเรามีเป้าหมายนะเราไม่ได้อยู่ไปวันๆหนึ่งรอ ถึงวันหนึ่งก็ตายไปไม่มีประโยชน์การนมาสการค่ะหนูเป็นลูกศิษย์เอาหลายปีแล้วก็ไม่ได้มาส่งกันบ้างมาสองปีอะค่ะปฏิบัติก็ก็ยังทำรูปแบบเหมือนเดิมกลางคืนก็สวดมนต์บางช่วงก็จะนั่งสมาธิแล้วก็จะรู้ว่ามันมันจะเฉยหนูก็จะพามันเดินมาถึงว่าพิจารณาบางครั้งเห็นแต่รักได้เองบางครั้งก็ต้องช่วยมันมแต่ว่าวันนี้มาฟังแล้วก็ ก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นที่ผ่านมาจิตจะเป็นทุกข์มากมดูจิตน่วมเลยการรูด้ดูจิตอยู่เป็นประจำการที่โลนของจิตก็ก็ดีขึ้นคือทุกข์น้อยหรือเริ่มเห็นว่าทุกข์สุกกระทุกนี้มันก็คล้ายๆกันเหมือนกัน<ะ>หายใจไปก็ได้นะหายใจไปรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวด้วยความผ่อนคลายนะใจจะได้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาใจบอบช้าไป นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงอะไรนะเออเรื่องหนูไม่แน่ใจว่าไม่ต้องไปบังคับมันเห็นมันดูมันดูคนอื่นนะนะดูมันดูคนอื่นถ้ามันทุกข์มากแล้วก็ใช้การคิดพิจารณาเข้ามาช่วยนะทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันของชั่วคราวะทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่มีอะไรที่เป็นเจ้าของที่แท้ จ, จริงค่อยช้ยสอนมันไปใจยอมรับได้ใจจะค่อยมีความสุขขึ้นมีกำลังมากขึ้นธรรมะจะช่วยเราได้นะในเวลาที่ชีวิตเรามีปัญหาไม่มีอะไรจะช่วยเราได้ดีเท่ากับธรรมะหรอกรักษาใจไปคือหนูก็ไม่ได้ทิ้งอะไรคือตัวหนูเก็ไม่ได้ทิ้งธรร ม, มาไปตลอดชีวิตใช่อย่าไปทิ้ง ดีแล้วล่ะถ้าไม่มีธรรมะสติแตกไปแล้วล่ะสังเกตไหมเวลาที่ผ่านมาถึงเราจะทุกข์นะแต่เราเติบโตรู้สึกไหมค่ะหนูมีความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากขึ้นนั่นแหละเราเติบโตทางจิตปัญญาณน ะ, ะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเลยความทุกขนะ์เนี่ยสอนให้เราเติบโตทุกคราวที่ผ่านไปได้เราจะเติบโตมากขึ้นมากขึ้นคือบางครั้งหนูก็มองคนอื่นว่า มายถึงมองที่บางครั้งหนูก็มองเห็นพระพระมีความสุขคือหนูก็รู้ว่าอี๋ทำอินทุปฏิบัติแําอันทุกข์มากทุกข์มากไม่ไม่มีความเราไม่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาความสุขหรอกเราปฏิบัติให้เห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรก็รเป็นของชั่วคราวนะแต่อย่าให้ความเศร้าโศกเนี่ยครอบงาใจถ้าความเศร้าโศกเกิดขึ้นให้เรารู้เข้าไปตรงๆงที่ความเศร้าโศกนะจะ ก, กระเด็นออกไป ถ้าเราไม่รู้ทันมันครอบใจเราบางคนเจอปัญหาเยอะจะฆ่าตัวตายก็มีนะไม่ได้แก้ปัญหาจะยิ่งทุกข์นานกว่าเก่าอีกนะงั้นอดทนไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไม่มีอะไรไม่ผ่านหรอกกระทั่งความสุข <c oughs> ความสุขที่เราอยากได้ความสุขก็อยู่ชั่วคราวเอ่จิตก็ยังอยู่ในร่องรอยไหมคะอยู่ถ้าไม่อยู่ในร่องรอยนะสติแตกไปแล้วละ่ะ <c> ะ <oughs> แล้วก็หนูขอกราบกันมาท่านหนูเกยร่วงเกิดไม่ว่ากายบาดใจเงินนะจะเรียในธรรมวสิกรรมค่ะขอบพระคุณค่ะมนมัสการค่ะส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองนะคะหลวงพ่อให้กันบ้านไปก็คืออ่ชอบหลงไปคิดค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านหลวงพ่อก็บอกว่าให้ตอกหน้ามันไปว่าฟุ้งซ่านหลังๆก็เอเริ่มรู้แล้วค่ะใช่ฟุ้งน้อยลงแล้วดูออกไหม ตอบมันเรื่อยมันชอบอะก็พอเจอปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก็แรกๆก็บังคับใจว่าพอไม่ต้องรู้อะไรเี้ยค่ะก็หลังๆมาก็เอไม่เป็นไรมาอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เฉยๆไปเลยค่ะอย่าไปลงอย่าไปหลงกดมันนะห้ามมันไม่ได้แต่อย่าไปตามใจมันไม่ต่อต้านแต่ก็ไม่คล้อยตาม แล้วก็ฝึกในรูปแบบก็คือตอนแรกดูลมหายใจค่ะแต่มันรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับหนูหนุนแน่นอือะไรอย่างค่ะก็เลยลองเปลี่ยนใหม่ค่ะอตอนนี้กําลังจะเริ่มจงกรมค่ะอืเดินจงกรมก็ดีนะแต่บางคนนะควรจะเดินแต่อย่าไปเดินบังคับตัวเองก็แล้นเดินมีสติไปค่ะก็ ค, ะคืออย่งางไดโนนแม่ถ้าเดินจงกรมแล้วเครียดท่อบอกให้ไปชอปปิ้งก่อน ในเดินปกติอ่ะแต่ถ้าเดินจนกระทั่งรู้สึกตัวได้สบายๆแล้วก็มาเดินจุกกลมหนูก็ตามรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนใช่ไหมคะหนูฟุงสซ่านเก่งมาได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะพัฒนาเร็วน้ำน้สการค่ะการน้นสการ์หลวงพ่อเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรู้สึกไหมจิตมันถลำลงไปมองมันเนี่ยมันไหลแบบนี้ ไหลๆๆไปนะให้รู้ทันนะอแต่ก็บางคนกลัวไหลก็ตั้งไว้แรงตั้งถ้าอย่างนี้ไม่ไม่เจริญอยู่กับที่ mm hmm. เหมือนจะข้ามสะพานนะมือจับราวสะพานไม่ยอมปล่อยอ่ะไปไม่ได้หรอกข้าวคอร์สปฏิบัติธรรมครั้งแรกนะคะเ อ, อติดสมาธิอยู่สามอาทิตย์พอครั้งต่อมาติดสมาธิอยู่สามเดือนส<ะ> <3 S 1> ามเดือนค่ะแล้วต่อไปต้องติดสามปีก็แย่สิ ครั้งสุดท้ายติดตั้งแต่กระดากระดา55จนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องไม่ใช่คอร์สหลวงพ่อแน่ค่ะไม่ใช่ค่ะนะอย่างเงี้ยไม่เคยมีอันนี้ส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะ <c oughs> มาได้ฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อตอนเมษา57เนี่ยค่ะ <c oughs> แต่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยติดสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิเวลาสงบเนี่ยเคยได้ยินเสียงดังแปะแล้วข้อกระดูก <c oughs> ข้อซ้ายอะคะ่ะข้อแขนซ้ายเนี่ยว่าบขึ้นมาเป็นโครงกระดูกแล้วก็เวลาไม่มีความคิดอะไรเนี่ยเวลานิ่งสงบเนี่ยจะถูกดึงมาอยู่ที่ลมหายใจอะค่ะคนนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าคันนี้ตงปกตินะมลมหายใจเป็นคล้ายๆกรรมฐานพ่อกรรมฐานแม่นะกรรมฐานอะไรทํๆไปมากจะย้อนกลับมาหาลมได้แล้วก็คำภาวนาก็หายไปถูกสิ ถ้าภาวนาอยู่ยังฟุง้งซ่านอยู่คำบริกรรมก็หายลมหายใจก็หายนะพอละเอียดประณีตเข้าไปร่างกายก็หายไปด้วยจากจากที่เคยเห็นว่าจิตเขาเดินสมาธิเองเนี่ยอันนี้ไม่ทราบว่าคิดไปเองหรือเปล่าพอมาได้ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยก็เริ่มมองไม่เห็นว่าเขาเดินสมาธิเองแต่รู้ว่าเขายังเดินสมาธิอยู่ก็เริ่มมาเดินจงกรมหัดแยก แต่่่ไมามวาพยายามแยกขันไปนะตอนนี้ไอ้การติดสมาธิไม่ได้รุนแรงอะไรไม่ได้ไม่ถือว่าติดเท่าไหร่แล้วละติดน้อยงนั้นพยายามดูขันเดินทำงานไปเรื่อยๆแยกไปเรื่อยๆถ้ามันไม่แยกก็ช่วยมันคิดพิจารณาแยกแล้วที่รู้สึกว่าเขาจิตเขาเดินสมาธิเองตลอดเนี่ยคะถูกไม่ได้คิดไปเองเออไม่ได้คิดอะเราฝึกสมาธิไม่ชํานาญ จิตมัานก็ทงสมาธิของมันได้เองไม่ได้เจตนานะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้แน่นจิตเป็นอกุศลแล้วอย่าไปรวบมาเขาอย่างนี้อย่างนี้ไปรวบมายิ่งแน่นกว่าเก่าทําหน้าให้ดูทานี้ช่วงนี้ไม่เอาเลยนะเลิกเลิกซะทาใจที่เป็นธรรมดาใจธรรมดาดีที่สุดนะ ใจหลงไปไหมหลงไปคิดไหมคิดเจ้าค่ะนั่นใจหลงไปคิดให้รู้ะเนี่ยหลวงพ่อต้องใช้วิธีถามเมาหลงไปคิดไหมอย่าไรต้องถามนําห <c oughs> ลงอีกอยังหลงเจ้าค่ะเออหลวงพ่อก็ถามไปอย่างนั้นแหละเนี่ยรู้อย่างนี้บ่อยๆนะหัดหัดตามความคิดรู้ไ ม, ไม่ใช่ตามความคิดนะรู้ทันว่ามันคิด <c oughs> ไม่ห้ามความคิด แต่คิดแล้เกิดสุขให้รู้ เ, รเกิดทุกข์ให้รู้คิดแล้วเกิดกุศลอกุศลให้รู้แล้วเรื่องที่เขาเดินสมาธิสนุกจะต้องทํายังไงอะคะก็ช่างเขาสิไม่ใช่เรื่องของเราเมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันเองมันไม่เชื่อเราหรอกดูไปเรื่อยนะจนมันไม่มีเราบางครั้งคิดว่าไม่รู้คิดตัวเองหรือเปล่าบางครั้งก็คิดว่าเรไม่ใช่เราร อ, อ่ะค่ะคิดว่ากายไม่ใช่เรารอะค่ะไอ้นั่นเป็นเรื่องปกติ ภาวนาสักพักหนึ่งก็เห็นกายไม่ใช่เรานะแต่ไอ้จิตที่เป็นคนดูเนี่ยมันไม่ใช่เราด้วยต้อเห็นด้วยพ อ, อสมควรนะค่ะวันนี้<อ>หนักนาสาหัสเลยนะมันติดสมถะกันเป็นแถบเลยเนะี่ยเป็นนัดกันมาเปล่าครับโอกาสนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านที่นี่นะครับกล่าวคำถวายทานที่มีผู้นำมาถวายครับ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 อิชิตังภณิตังตุมหังคิปเะเมวาสมิจตุสัพเพภูรเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสพีทีโยวิวัตฉันตูสัพพโรคโควินสัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายโน ชะตาโรธรมาวทันเตียอายุวันโนสุ ข, ขังพะลังสาธุอย่าเพ่งเยอะแล้วนะติดเพ่งนะรักษาตัวรู้มากไป